อาจารย์ครับการรักษากาครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้มีคนมารอฟังแปดร้อยสามสิบห้าคนแล้วครับอาจารย์ครับวันที่วันนี้ตั้งชื่อว่าไต่พบครับอาจารย์ต่อจากครั้งก่อนครับอาจารย์ครั้งก่อนเนี่ยเราไปขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องอวัยภูมิแล้วพอฟังเรื่องอบายแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ครบยังขาดอีกหลายภพวันนี้ก็เลยขอ บอกความเมตตาพระอาจารย์อธิบายทั้งไตรภพเลยครับพระอาจารย์ครับว่าสัว์เนีย่ยเลาตายแล้วไปจุติที่ไหนเราตายแล้วไปไหนได้บ้างครับกลับความเมตตาครับไตรภพนี้ก็เป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตาเยเกิดกันเยอะที่ยังถูกํานาของกิเลสตัณหาครอบนาจิตใจก็จะเวียนว่ายตาเยเกิดอยู่ในไตรภพไตรภพนี้ก็คือสาม สามภพด้วยกันแบ่งไปตามความอยากผู้ที่มีความอยากในการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปเกิดในกลางภพผู้ที่เสพรูปประชานก็จะไปเกิดในรูปประภพผู้ที่เสพอารูปประชานก็จะไปเกิดในอารูประภพ สองภพหลังนี้จะมีน้อยมากที่ไปอยู่เพราะว่าน้อยคนที่จะเกิดมาหน้าจะไปบวชไปเป็นฤาษีไปเป็นนักบวชเพื่อไปเสภรู ป, ปรชาญให้เรรู ป, ปรชาญกันส่วนใหญ่นี้จะมาเกิดอยู่ในกามภพ ก, กันโดยยังเสภกามยังเสภรูปสิ่งกินรสปวยทภาอยู่แล้วในกามภพนี้ก็แบ่งมีแบ่งไว้สองสิ่งในการ สิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสุขคติที่เวลาคนตายไปแล้วบอกขอให้ไปสู่สุขคติเนะ<ะ>ถิดครับคือไปเป็นเทวดาง่ายๆไปสวรรค์ อ, อีกสิ่งเราเรียกว่าทุกขคติสกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขนี่ก็คืออบายอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอบายครับ<ะ>ก็มีอยู่สี่ถ้ายังไม่ได้ร่างกาย ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยแล้วก็เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าสุลกายดวงวิญญาณที่มีความอาคตาิปฏิบัติเคสแคนก็เรียกว่านรกส่วนดวงวิญญาณที่ได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของเดลชาเกิดเป็นสัตว์ชนิดตา่างๆการมารพบเนี่ยเยอะมีสัตว์อยู่เยอะแ ย, ย ะ, ยะไปหมดเลยแล้ว ด้านอวบานนี่ยิ่งเยอะใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับด้านสุขคติคเพราะว่าสังเกตดูสัตว์ที่มันมีอยู่ในโลกนี้เปรียบเทียบกับจานวนของมนุษย์ที่มันต่างกันล้านต่อหนึ่งครับเช่นอยู่ในป่าเนี่ยบนเขาเนี่ยว่ามีบดแรงมีสัตว์เนื้อคานมีอะไรต่างเป็นฝูงเลยวันนี้ครังหนึ่งก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน แล้วเขาก็ไปทำบาป ท, ทำกรรมด้วยสาเหตุต่างๆพอเขาตายไปเขาก็ต้องไปรับผลของกรรมที่เขาทำกันอันนี้ก็คือใ่พบพบทุพุศษกาลเรียกว่ากาลมาพบเป็นพบของของอบายกับพบของเทวดาและพบของมนุษย์มนุษย์นี่จะอยู่ตรงกลางระหว่างสุกกติกับทุ ก, กติ ออสุคตินี้ผู้ที่ไปสุคติเพราะได้ทําบุญมากกว่าทำบาปกาลังบุญมากกว่าดึงให้ไปทางสวรรค์ก่อนไม่ได้หมายความว่าไม่มีบาปในใจมีอยู่เพียงแต่บาปที่ทํานี้น้อยกว่าบุญที่ทําไว้บุญมีกําลังมากกว่าเหมือนสองฝ่ายช้ากรเยอะกันนะฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปแต่ไม่ได้หมายควาว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ดึงเพียงแต่ซื้อีกฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าไม่ได้ ถ้าฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าอ่อนกําลังลงเมื่อไหร่ฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าก็จะเดินกลับไปทางหนึ่งได้สําหรับผู้ที่ไปสุคตินี่หมายความว่ามีกําลังบุญมากกว่ากําลังบาสนิพาให้ไปเกิดในสุคติสวรรค์หกชั้นด้วยกันที่เรียกว่าสวรรค์ของเทพทั้งหลา ย, ยมีเชื่อเช่นดุสิตอ เราก็จำไม่ค่อยได้นะครับเราไปอ่านดูมีสวรรค์อยู่หกชั้นด้วยกันต่างกันตรงที่ความระดับของความสุขมากน้อยต่างกันยิ่งสูงยิ่งมีความสุขมากยิ่งทำทามากก็จะได้ได้บุญมากได้ได้ความสุขมากได้ได้สวรรค์ที่ชั้นสูงมากอยู่ที่ความการทำบุญซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนแต่ละคนก็ทำบุญมากน้อยไม่เท่ากัน อันนี้ไม่ได้ว่าที่จนนาํานวนเงินทองนะแต่ว่าความเสียสละของแต่ละคนซึ่งการไปสวรรค์นี้คนสองคนอาจจะไปชั้นเดียวกันแต่เวลาทําบุญปริมาณเงินอาจจะไม่เท่ากันเชื่อไหมทำไมเป็นอย่างนั้น<ำ>ก็เพราะว่าคนที่ทําบุญนี้คํามิสัดส่วนของสมบัติไม่เท่ากันเนี่ย คนร้อยล้านสมมติก็ร้อยล้านเขาทำล้านหนึ่งนี้เขาทํเท่าไหรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคนที่มีแสนหนึ่งนี้ถ้าท ำ, ำหนึ่งเปอร์ซ็นตทำเท่าไหร่แค่พันเดียวก็ได้เสิทสละเท่ากันถ้าว่าตามสัสดส่วนของทรัพย์ของตนที่มีอยู่แล้วความ ร, รู้สึกที่ได้จากการสิทสละก็เท่ากันความมีร้อยล้านทำมู ล, ล น, น้ำเงินงก็รู้สึกนิดเดียวเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มีแสนหนึ่งทํามูลแค่พันเดียวก็นิดน ความรู้สึกมันเท่ากันอนะความรู้สึกที่ว่ามีความสุขจากการเสียสละนี้มันเท่ากันงั้นก็จะได้ไปสวรรคชั้นเดียวกันพูดง่ายๆว่ามีความอิ่มใจสุขใจเท่ากันแต่ปริมาณเงินที่ทํานี้ไม่เท่ากันเพราะว่าปริมาณเงินนี้มันขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราเาสียสละสัดส่วนของการเสียสละของเราจากทรัพย์ที่เรามีอยู่ ก ina, ็ส nee ัดส่วนเท่ากันเนี่ยมันหนึ่งเปรเ็นเท่ากันคนมีแสนก็บริจาคแค่พันเดียวะคนมีล้านก็บริจาคหน่วยล้านก็มีร้อยล้านก็บริจากล้านหนึ่งคนรู้สึกเท่ากันกขามีร้อยล้านเสียล้านหนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับเหมือนกับคนที่มีแสนหนึ่งเสียพันหนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรอะไรเหมือนกันความรู้สึกเท่ากันงจนั้นทำให้ขอขอให้บอกกับนุญาตอยงว่าคนที่มีความยากจนอย่าไปน้อยใจ ควรจะมีโอกาสทําบุญโดยที่ได้ระดับเดียวกับมหาเศรษฐีโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงนในระดับมหาเศรษฐีก็เหมือนสมัยนี้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเขาแบ่งเป็นคนไทยกับคนต่างชาติใช่ไหมเพราะสัดส่วนเงินทองของคนต่างชามันมีมากกว่าใช่ไหมเขาเสียสองเท่าสามเท่าของคนไทยแต่ทรัพย์สมบัติรายได้ของเขามีมากคนไทยสองสามเท่า ก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าถ้าดูตามสัดส่วนของของทรัพย์ที่เขามีอยู่แต่ถ้าไปมองตจำนวนเงินเขาจะบอกว่าไม่แฟร์ละเพราะฝรั่งเสียร้อยบาทคนไทยเสียยี่สิบบาทครับแต่บางทีถ้าดูสัดส่วนนะบางทีเขาเสียร้อยบาทนี่มันเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าคนไทยเสียยี่สิบาทเสี่ได้ทราไปเพราะรายได้ของคนไทยมันน้อยกว่าต่างชาติเยอะแยะครับอันนี้คือเปรียบเทียบไม่แฟร์ เพราะฉะนั้นท่านที่มีความยากจนมีเงินน้อยทําบุญได้น้อยนี่อย่าไปเสียใจที่ว่าจะไม่ได้ไปสวรรค์ชัน้นจะกับเศรษฐีบางทีไปสูงกว่าเศรษฐีจะได้ทั้งไปถ้าคุณท 2, 000, <c oughs> ําสองพันแล้วเศรษฐีทำแค่ล้านเดยียวนี่คุณทำสองเท่าของเศรษฐีนะรับคุณไปสูงกว่าครับอันนี้พูดเปรียบเทียบไม่ต่างนะถึงเรื่องปริมาณเงิน แต่ในขนาดเดียวกันปริมาณเันินในในในสัสดส่วนของเราเองนี่ก็มีส่วนที่ทําให้เราได้ความสุขมากน้อยต่างกันีเองถ้าเราทำพันหนึ่งกับทำห้าพันนี้เราจะรู้สึกยังไง <Okay. S 1> ถ้าทำพันรู้สึกเราเสียสละมากเราก็รู้สึกเรามีความสุขมากอันนี้ก็คนคนเดียวกันถ้าอยากจะได้สวรรค์สูงกว่าหนึ่งพันก้อมทำห้าพัน อันนี้ก็จะขึ้นสูงกว่าสวัสดิชั้นหนึ่งพันของคนคนเดียวกันนะอยาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะใ น, นพูดถึงในตัวของคนคนเดียวกันนี้มันก็มีสัสดส่วนต่างกันเสียสละเอร์เซ็นกับเสียสละห้าเปอร์เซ็นต์ครับคนที่เสียสละห้าเปอร์เซ็นมันก็ต้องสูงกว่าคนที่เสียสละหนึ่งเปอร์เซ็นตถ้าเสรษฐีร้อยล้านถ้าอยากจะเสียสละห้าเปอร์เซนก็ต้องทำมูลห้าล้าน ซึ่งก็มีเห็นมาที่กาดิลาบอกมีเศรษฐีทำบุญเก้าร้อยล้านครับแล้วเขาทำได้แต่ก็ไม่รู้สัดส่วนเขาจะเท่าไหร่ครับถ้าเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนครับไม่รู้เขาทำห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่รู้อันนี้ที่ตัวอย่างที่เปรียบเทียบระหว่างเวลาทําบุญแล้วได้บุญมากบุน้อยอนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินตัวทอง อย่างเดียวอยู่ที่การเปรียบเทียบสัด ส, ส่วนระหว่างคนด้วยการต้องดูที่สัด ส, ส่วนแต่ถ้าถ้าอยู่ในตัวของคนคนเดียวกันนี้ทํามากย่อมได้มากกว่าทํา น, น้อยเหมือนรับประทานอาหารรับประทานจานหนึงกัรับประทานสองจานนี้ในคนคนเดียวกันเนี้คนกินสองจานมันต้องอิม่มกว่าคนกินจานอ่ากินสองจานมันก็ต้องอิม่มกว่ากินจานเดียวนี่นะแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบระหว่างคนสองคน คนได้มีน้ําหนัก100กิโลกับคนที่มี50กิโลการรับประทานอาหารก็ไม่เท่ากันไงคน50กิโลอาจจะ ก, กินแค่จานเดียวก็อิ่มแต่คนที่น้ําหนัก100กิโลกินจานเดียวไม่รู้สึกอิม่มต้องก็ต้องกิน2 2จานหรือ3จานก็แล้วแต่อันนี้ก็พูดเปรียบเทียบได้ครับแต่การทำบุญของแต่นคนนี้ไม่เหมือนกันแต่ผลที่ได้จากการทำบุญนี้ปริมาณเงินที่ ที่เสียสละไปหรือทรัพย์ที่เสียสละไปนี้อาจจะไม่เท่ากันแต่อาจจะได้ความสุขได้บุญเท่ากัน ค, คือความสุขใจอิ่งใจเท่ากันนะอันนี้พูดให้ฟังนั้นแต่บุญที่ได้เอาความสุขที่ได้จากการทำบุญมันก็มีมันก็มี มีเพดานนะีก็คือมันก็จะทํามากน้อยแค่ไนนี้ถ้าถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นก็ไปถึงชั้น 6, อหกบุญ ง, ง่ายๆชั้นสูงสุดครับ <c oughs> แต่ถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านั้นก็ต้องไปต่อบุญแนะ้ว <c oughs> คนที่ทำร้อยเปอร์เซ็นได้ก็แสดงว่าก็พร้อมที่จะไปต่อบุญคือไปบวชได้แนละ้วคนส่วนใหญ่ที่เสียสละเงินทั้งหมดเขาก็ต้องการจะไปบวชเพื่อเขาจะได้ไปสร้างบุญที่สูงกว่าบุญที่ได้จากการทําทานทําบุญ ก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาเขาก็จะไปฝึกสมาธิเข้าชานยยถ้าเขาได้รูปฌานเขาก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปภพนะซึ่งเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกวา่าถ้าปฏิบัติต่อไปได้สติมากขึ้นอีกสามารถเข้าสู่ระดับอรูปฌานได้เขาก็จะไปเกิดอยู่ในรูปภพต่อไปเวลาที่ร่างกา ย, งายเขาตายไปแล้ว ความนี้จิตของเขอยู่รูปภพแล้วนะถึงแม้น่างกายจะจะอยู่อยู่ในโลกนี้แต่ใจของเขาเนเวลาเข้าฌานนี้เขาเข้าไปอยู่ในรูปภพอันรูปภพเช่นเดียวกับคนที่ทำํำบุญเนี่ยคนที่ทําบุญนั่งกายเขาอาจจะอยู่ในระดับมนุษย์แต่ใจของเขานี่อยู่ในระดับของเทวดานะจิตใจขเขามีความสุขในระดับเทวดานะในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําบาตจิตใจของเราก็จะทุกข์ ทุกมากขึ้นมากขึ้นระดับของความทุกข์นี้มันก็มันก็มีตั้งแต่เดเรัจฉานไปถึงสุรกายนั้นเราลอกในที่สุดก็อยู่กับการทําบาปว่าเราสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดถ้าสร้างความเสียหายเดือดร้อนมากมันก็รับผลมากสหน้าจึงจึงจึงแบ่งระดับไว้ไงข้อหนึ่งการฆ่ามันจะเป็นหนักที่สุดมัเปรียบเทียบกับการลักทรัพย์ใช่ไหม การล้างับ ก, กจะหนักกว่าการระพฤ้นผิดประเวณีการระพื้นผิดประเวณีก็จะหนักกวาการโพลอกระวงส่วนการเดิมศิลาย่างเมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำบาป ท, ที่ง่ายเพราะจะขาดสติจะไม่มีการยับยั้งจิตใจเวลานึกปั๊บก็อาจจะทำปุ๊บเลยแต่ถ้าคนไม่เมาในบางทีเลืกจะทําแต่ มีสติพอที่จะนึกได้ว่านึกถึงผลที่ตามมาติดคุกควยอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าใชอนน่อันนี้ก็นีคือที่ไปของผู้ที่อยู่ในการมาภพเพราะการเสดการมาภพนี้การเสดการมาลูกการมาคุณห้านี้มันต้องใช้ใช้เงินทองใช้ต้องหาเงินหาทองกันดัง น, นั้นบางคนอยากได้ของหรูหราของแพงๆเขาต้องใช้เงินมาก และถ้าบางทีไม่สามารถหาได้โดยวิธีที่ไม่ทําบาปถ้ามีช่องทางให้ทําบาปก็อาจจะทําถ้ามีใครมาเสนอถ้าเราเป็นคนที่มีตําแหน่งมีอํานาจที่จะสามารถอทําอะไรดังนันหนึ่งให้กับคนที่เขาต้องการได้เราเพียง mm hmm. แต่เซ็นเชื่อนุมากไปเราก็จะได้รับมันตอบแทนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการทําบาปนะ ก็จะทำให้จิตใจนิตตกดังจิตใจถึงแม้จะได้สุกจากได้เงินได้ทองแต่ก็จะมีความทุกข์มีความกังวลกับบาที่ได้ทำไว้การทำผิดกฎหมายก็มันก็เหมือนกับวัวสันลังหวานเวลามีนกมีอะไรมาเกาะมันก็เจ็บเวลามีตำรวจผ่านมามีใครเข้าเริมีอะไรเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการตรวจสอบขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้ว อันนี้ก็เป็นความทุกขที่เกิดจากการทำบาททำให้ความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอจะเข้าใจสันติตายครมีอยากใช้มีอะไรที่เกี่ยวกับตายครบที่อยากจะถามเพิ่มทไม่ได้พูดก็ทำได้ okay. ก็วันนี้ได้กำลังใจว่าทำบุญน้อยกว่าโกงจุนก็อาจจะได้บุญใกล้ๆกับโกงจุนก็ได้จจได้มากใกช <c oughs> ่คนที่ออกบวชเนี่ยชาวนาช้าไร่ที่ไปบวชเนี่ย <c oughs> น้องภ <c oughs> ูม่นี่ท่านก็ผมสลั <c oughs> บหมดนะทรัพย์สมบัติเข้าขอไม่มีเงินติดตัวไปเลยครับเ <c oughs> พราะท่านจะไปสวรรค์ท่านสูงกว่าชั้นหบ <c oughs> ท่านไปบวชท่านไปได้นิพพานสวรรค์สูงสุดเลย อาจารย์ครับดันงนี้สัตว์พวกเราก็เกิดบนเวียนอยู่ในไตรภพนี้ตลอดหาทางออกไม่เจอ ถ, ถ้าไม่ได้เจอศาสนาพุทธไม่ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่รู้อ่ะแม้แต่พระพุทธ เ, เจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเองก็ไม่รู้ครับเราไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆอาจารย์ต่างๆก็ไม่รู้อีกเห็นแต่ว่าพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดมากหรือว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปครับที่สามารถมองถึงอริยสัจสี่ได้ เข้าถึงอริยาาสัจนสะีได้เข้าถึงเหตุของการเกิดว่าเกิดจากกรรกา ร, าารวัฏฏฐาาภวตวัฏฏาวิภาวตัฏฏานานี่แลาวก็เห็นทางในการที่จะหยุดเห็นเสียนสมาธิเป็นปัญญาว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้หยุดการเว้นว่าตายเกิดได้พอท่านหมุดพ้นแล้วท่านก็ลองไปทดสอบดูว่าการหลุดพ้นของท่านจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไปทดสอบกับพวกปัญญาวิจิตรก่อน เราจาคกีควาเทพความธรรมสอครั้งสามสงาครั้งก็บรรลุเป็นท่ะ้าถ้าไม่สงสัยแมันเพราะท่านได้พิสูจน์กับตัวท่านเองแล้วใจของท่านแล้วใจของท่านเม่ก่อนเคยทุกข์เคยเพียรจำเรื่องราวต่างๆหลังจากที่ได้ตัดสุลแล้วไม่มีความทุกข์บนมอยู่ในใจแลนั่นเราต้องรอโอกาสที่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้า หรือมีพาะที่ยังสงสาวมาสานมาสอนเร า, า, า แ, ลแล้วถ้าเราสนใจเราน้อม น, นำมา ป, ปฏิบัติไม่ใชาก็เร็วต้องได้บรรลุแน่อย่างแน่นอนเพราะมีผู้บรรลุมาเป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่ยุคสมัยรุ่ทศเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันอาทีตายไปที่อักิกานประ่านที่มีจำนวนเยะเ ก็หวังว่าผมและเพื่อนๆทุกคนจะได้บรรลุในเวลาใกล้นี้ครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่เอ็นทุนอยู่ที่ปริมาณที่เรา <c oughs> ให้กับการปฏิบัติถ้าให้เวลาในการปฏิบัติมากผลมันก็ต้องมากใชเหมือนกับปลูกข้าวเนี่ยถ้าอาทํานาเพียงไร่เดียวผลมันก็ได้แค่ไร่เดียว <c oughs> ถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นมากต้องทําเพิ่มสองไร่สามไร่ทำไปจน ก, กระทั่งมันเต็ม เป็นทิกัดของความสามารถของเวลาที่เรามีน น, นนะะผลมันก็จะโผลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนั่นก็อยู่ที่ความเพียรสรุปว่าถ้าอยากจะหลุดทอนพระเจ้าหรหลดพ้นได้ด้วยความเพียรมิตรเยอะไรทุกข์อะไรเนี้ยภาษาบาลีลดพ้นได้หลดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรการพยายามการพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น ที่มนอยู่ที่ว่าเพียน่าเพียนน้าเพียนน้อยด้วยถ้าเพียนห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็ได้แค่้าสิบเปอร์เซนครับถ้าเพียนร้อปอร์เซ็นมันก็จะได้ร้ยเรซ็นต์ครัเราต้องดูตัวอย่างดูพระอริยสงสารงเป็นตัวอย่างท้าเพียนด้วยสีลักษณะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายักปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือความเพียนชอบเพียนอยู่สีลักษณะนี้ ปฏิบัติดีคือเต็มร้อย ต, ตั้งแต่ตื่นจนหับเปฏิบัติตรงจะเรียกว่าตรงต่อคําสอนของพระเจ้าทุกประการก็ได้ไม่มีเลือกว่ายกเว้นข้อนี้ข้อนี้ไม่ปฏิบัติตได้ไหมนคนมีชอบามาถานั้นไม่ปฏิบัติสมาธิได้ไหมใช้ปัญญาอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ไม่ได้ต้องจะเอาหมดสิ่งสมาธิปัญญาญาญะปฏิปนันโนปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ เป้าหมายคือการดอดทนจากความทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมีชื่อมีเสียงมีเดียงเพื่อได้นาดยศสรรเสริญปฏิบัติเพื่อการดอดทนจากความทุกข์รักษาหนี้จีก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดเพีย้ยนอันนี้แหละคือหลักของของการปฏิบัติของการทําความเพียรต้องมีสี่อย่างนี้ต้อมีสีอย่างนี้แล้วก็ผลก็คือบุคคลสี่ประเภท หรือแปดคู่เจอสวดาบันสกีดาคามีนาคามีระอานก็จะปรากฏตามขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงขั้นพระนิพพานพอเป็นพระริพพานาก็เข้าถึงนิพพานพร้อมๆกันไปกลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้กระจ่างเลยครับผมเดี๋ยวผมขอโอกาสถามค า, ม ถ, ามถามจากเพื่อนบ้างนะครับ คุณอัญชลีครับบอกว่าอยากสอบถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องการบริจา่างกายว่าได้บุญยังไงขนาดไหนและจะมีผลกระทบต่อชาติหน้าไหมค้เช่นทําให้ร่างกายพิการตามความเชื่อของคนโบราณครับความจริงไม่ได้ถ้าทำบริจาคตอนตายนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลาตายเแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายเหล่านี้เขาไปทําอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าอยากจะได้บุญ้องบริจาคตอนที่เรามีชีวิตอยู่ เป็นบริจาคอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเช่นตายข้างหนึ่งเช่นคนที่เรารักลูกลูกหลานหรือพี่ลูน้องเขาตายวายถ้าไม่มีตายมาเปลี่ยนให้เขาเขาก็จะอยู่ไม่ได้แล้วพอดีตายของเรากับตายของเขามันมันเข้ากันได้ถ้าเราบริจาคเราก็จะเห็นผลทันทีใช่ไหมเห็นประโยชน์ที่เราได้าจากการเสียสละของเรากับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเรา มันก็ทำให้เราเป็นความสุขใจอยู่ใจอันนั้นหลั่ได้บุญหรือบริจาคเลือดก็เหมือนกันถ้าบริจาคเลือดนี่เรารู้สึกว่าเราเราได้เสียสละของที่เรารักเราหวงเพื่อประโยชน์สุด ข, ของผู้เท่น ค, คนที่มีอุบัติเหตุหรือขาดเลือดใดต่างนี้ได้ช่วยชีวิตของเขาขึ้นมาให้เรารู้เนี่ยเรารู้เหมือนกับเวลาเราทําบุญเราเงินใส่บาตรหรือเราบริจาคให้กับ องค์กรใดองค์กรหนึ่งเราดูว่าเราได้จ่านั้นนี้ไปนั่นมีผู้รับเงนก็อ น, นี้ไปมันก็ทําให้เรามีความสุขใจอี่ใจแต่เวลาที่เราเบริจาคแล้วที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาเงินไปทำทําอะไรอย่างไรอันนี้จะไม่ได้บุเนี่ยข้อข้อหนึ่งนียที่ถามว่าทำบริจาคล่างกายได้บุญไหมไม่ได้บุญเลยแต่ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับประโยชน์ของผู้รับได้ เช่นทางพนักงานจะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นเครื่องศึกษาสอนเด็ก น, นะนักศึกษาแพทย์ให้รู้จักเอาไวว่าต่างๆของร่างกายอันนี้ได้ไประโยชน์ทางการแพทย์แต่ไม่ได้ไประโยชน์ทางจิตใจของผู้บริจาคแล้วก็เรื่องที่ตายไปแล้วจะทําให้ร่างกายพิการนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นความเชื่อแบบแต่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มนำบาก มีกับถ้าโดยจากตายชาติหน้าถ้าเกิดเราเกิดมาตายวายก็จะมีคนมีควา ม, มโดยจากตายให้กับเรากลับมาบให้อะไรไปก็จะได้สิ่ง น, นั้นกลับมา ค, บคุณก้าวเดินต่อไปครับการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการจะก้าวข้ามจากบ่วงแห่งมารต้องทําอย่างไรคะก็ต้องมีมีความรู้คือต้องมีครูบาอาจารย์สอนนะ ต้องหาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาคำนะคาสอนอยู่เรื่อยๆมาท่านสอนให้เราทําอะไรแล้วเรา พ, รพยายามทำไปในแต่ละขั้นใจเยน็นๆบางทีเราอยากจะไปขั้นสูงเลยแต่บางทีเรายังมีกําลังไปไม่พอเราก็ต้องทําขั้นที่เราทําได้ก่อนเช่นการเรียนหนังสือก็อยากไปอยากได้ปริญญาเลยต้องใช้เวลาไ ต, ต่เต้าขึ้นไปต้องเข้านิวบาลก่อนเข้าปฐมเป็นชั้นๆไป เราก็ตรวจตาดูความสามารถของเราตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเราทำบุญทำทานได้ ก, ก็ทำไปทาได้ระดับไหนทำเพิ่มขึ้นได้ไหมทำทํตัวจะถึงครบร้อยได้หรือเปล่าครับผมสีในร่รักาได้ดีมากน้อยปไปหนไอยได้กี่ข้อต้องต้องทำตามตามตำแหน่งของเราที่เราอยู่ ตอนนี้เราทำ ไ, ได้แค่เท่าไรก็ทำไปตรงนั้นก่อนแล้วก็เสริมสร้างเพิ่มขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเพรานั้นเราไปทำบุญครั้งละร้อยเราข้างหน้าจะลองทำสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มไปเรื่อยๆรักษาศีลอ่ะจะได้แค่อทิตย์ละครั้งวันอาทิตย์ละวันรักษาศี 5, ลหน้าได้วันหนึ่งก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสมวันเลยไปอย่างนี้เป็นต้น สำนวนที่นั่งได้เท่าไหร่นั่งได้ห้านาทีก็ลองนั่งต่อไปนั่งเป็นสิบนาทียี่สิบนาทเีเอาทีละเกา้าจะไปเอาแบบว่าเอาเป็นเกาะเป็นกำพอเริ่มต้นปฏิบัติก็จะเอานิพพานไปในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็อาจจะทำไม่ได้คุณประชาครับ ถ้าหลังตายแล้วเหมือนฝันพบภูมิก็อาจไม่มีจริงหรือไม่ครับเพราะเราฝันซ้ําๆเริ่มใหม่ได้ไม่มีอะไรต่อเนื่องครับเราควบคุมความฝันไม่ได้เนี่ยถ้าควบคุมได้กันนี่เวลานอนหลับเราจะคุมหรอกคืนที่จะฝันดีนะกำบัดไม่ได้มันอยู่เหตุการณ์ที่เราไปสร้างไว้บันทึกไว้ในใจเราในใจเราแน้ามันก็โผล่ขึ้นมาตามกําลังของมันอันไหนมีกําลังมากมันก็โผล่ขึ้นมา นั่นะถ้าเราควบคุมความฝันได้ถ้าเราก็ควบคุมภพชาติได้แต่เราควบคุมความฝันไม่ได้เราควบคุมได้ที่เหตุที่ทําให้เกิดภพชาติคือถ้าเราอยากได้ภพชาติที่ดีเราก็ทําบุญเยอะทาําความดีเยอะๆอย่าไปทําบาปเหมือนอย่างที่พระเจ้าสอนรากการกระทํำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างบุญศน์ชนิดต่างๆให้ถึงพรออและถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ีีก่กสิททเราาํได้คุณพีโกครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับคําที่ว่าสักแต่รู้กับคําที่ว่าสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีความหมายต่างกันไหมครับผลลัพธ์ของทั้งสองคำกล่าวเป็นอย่างไรกลับขอบพระคุณครับเหมือนกันนะ่ะสติก็แค่เรารู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่คิดปรุงแต่งรู้ว่าเรากาลังอาบน้ําได้อยู่การอาบน้ําอย่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สันนกแต่ว่ารู้ก็แบบเดียวกัน ในสักแต่ว่ารู้นี่เรามักจะพูดกับขณะที่จิตรวนเป็นสมาธิแล้วหรือสักแต่วรู้ความคิดปูนแต่งนี้ไม่ต้องไปห้ามมันเพราะมันอยู่ของมันเองเลยกําลังของสติที่เราได้ที่เราได้สร้างขึ้นมาแต่ขณะที่เรายังจเจริญสติอยู่นี่บางทีไม่สักแต่ว่ารู้สลมันรู้ปั๊บเดี๋ยวมันเผลอไปคิดโน่นนั่นนี่ตอ คุณเบตเตเล็ตครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าจะเริ่มพิจารณาอาสุภะควรเริ่มอย่างไรดีครับอสุภะก็คือให้เราดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยซึ่งก็คิดว่าดูอนามตาบีนะ่ะดีที่สุดดูให้มันครบสามสิบสองร่างายเลยไปไปอ่านหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็ได้เอาภาพวาด ก, ก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่มีภาพของจริงภาพที่ก็ผ่าชำแหละออกมาจากร่างกายของคน เช่เวลาเขาชะสุดสศพนี้เขาก็จะชำแบลเปิดอกเปิดกางอกเผาออกมาแล้วก็จะเห็นเอาไว้ว่าเปนยัไถ้ายังจิตจไม่เข้มแข็งพอยังดูไม่ได้ก็ให้ดูภาพวาดไปก่อนก็ได้ดูภาพวาด้องเปิดดูใน Google มีเยอะๆนะเขียนคาว่าอารน์นี้ ก็ดูภาพต่ตตางๆอันนี้นต่ใน้าที่มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาคือแ ต, แต่เราไม่มอ ง, องนะแล้วเราไม่ควรที่จะก็รู้สึกน้ำเกลือนั่นนะเพราะเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยครือแต่เราไม่มองมันไม่ไม่เห็นมันเท่านั้นเองเราก็เลยเมองเห็นมันเข้าจับจับก็เลยรับไม่ได้แล้วบางทีการจะพิจารณาสุา่อารในบางทีต้อง จิตต้องมีสติพร้อมมาพอสมควรมีอุบขาพอสมควรที่จะไม่เกิดปฏิทิยาบางคนไปดูผ่าสมศพบางทีเป็นลมวันหนึ่ต้องหายาลมออกลมลมกันวางทีกลับมาแล้วจิตใจผิดเูลิงเพียงแต่บางทีไม่ต้องผ่าสศพเพึยงแต่ไปเห็นสกแค่นี้ก็บางทีก็จะเป็นลมขึ้นมาแนั่นแสดงว่าจิตไม่มีอุเบกขาเลยมน้อยมาก ไม่สามารถสึกษา่วามู้ได้มีพวกหมอนี่ถือว่าเฉยชาไปหน่อยเลยครับไม่หรอพวกหมอเนี่ย จ, จะเป็นพวกที่มีสติเอ่ะก็ถึงสามารถสอบเป็นหมอได้ถ้าคนที่จะเรียนสูงๆด้านนี่ต้องมีสติมากใช่ไหมเวลาหมอเรียนหนังสือนี้หมอจะใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดได้เี้ยเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะหนังสือไม่รู้เรื่องงั้นคนที่เรียนระดับ ที่ระดับหมอหรือระดับนิสวาหรือวิทยาศาสตร์นี้พวกที่มักจะมีสติมากตนเดที่จะสามารถก็ภูมใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเรียนอยู่เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในพวกที่เป็นหมอนี่แสดงว่ามีสติมากพอสมควรที่ว่าสามารถดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีมี motivation ก็คือมีมีแรงดันใจพอเห็นผล หลังจากที่ราเรียนจบได้ก็จะสบายเป็นหมอมีเวลที่ยวที่สบายตายได้ดีก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้กล้าสู้กับอุปสรรคต่างๆได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรียนทางคณะอื่นนะบางค น, นถ้าไปไปเรียนกายวิภาคแล้วจิตใจนับไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนขเยนข้ามาคนคใช่ไหมครับผม คุณแองเจลีฟาครับกำลังจะออกจากงานค่ะถ้าเราแจ้งสาเหตุการออกลงใน Exit ซ n t e r v i e w เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขในอนาคตของทางบริษัทจะผิดสีข้อ4ไหมคะเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ร่วมงานขอพระอาจารย์เมตาชี้แนะด้วยค่ะถ้าไม่ต้อกมาควา ม, มจริงมันก็ผิดนะหมก็ไม่โกหกไม่อยู่แค่ทำงน้น คุณนัชชาครับการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีหน้าที่ดูแลแม่แต่บางครั้งโยมใช้คําพูดและแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่แม่ในคราวที่เกิดปัญหาและโยมต้องแก้ไขปัญหาแต่ทั้งนี้โยมไม่มีเจตนาร้ายที่จะทําร้ายจิตใจแม่เลยผลกรรมที่โยมจะได้รับจะหนักหนาแค่ไหนและจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะเราทำสิ่งใดกับใครเราเขาจะได้สิ่งนั้นกลับมาหานําต่อไปเราแก่ก็าอาจจะมีลูกหลานมาทําแบบเดียวกับเราที่เราทำกับแม่ะ มันยานั้นก็พยายามควบคุมจิตให้ดีก็ ค, มคุมอารมณ์ให้ดีเวลาอยู่ต่อนหน้าแม่ให้เราคิดถึงว่าคุณแม่อยู่เรื่อยๆว่าแม่นี้เป็นหนึ่งพระเป็ น, นพระอรหันต์ของโลกเวลาเราหาพระนี่เราจะสํารวจใช่เราจะระมัดระวังเวลาเราจะพูดอะไรกับพระนี่เราต้องระมัดระวังตั้งนั้นต้องคิดว่าคุณแม่เป็นพระของเราแล้วเวลาเขาหาแม่ปนิบัติแม่นี่เหมือนการเราไปปนิบัติพระพระอรหันต์ชี่ด้วยซ้ำแต่ ให้ น, นึกถึงว่าแม่เป็นพระอาหานของเาพ่อแม่เป็นพาะอาหารของเราเราไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรร่วงระมัด อ, อะไรท่านได้ให้คิดอย่างนี้เราไมีหน้าที่ไปรับใช้ท่านไม่ใช่มีหน้าที่ไปคอยควบคุ ม, มคบังคับให้ท่านทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นคุณสุทธิรัตน์ครับกาเปียนถามพระอาจารย์ครับ ผมมีข้อสงสัยว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธครับคือเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธและอีกแบบคือท่องพุโทโธ ร, รัวๆในใจคือสองแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับส่วนตัวผมภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธครับก็ได้ทั้งสองอย่างพุโทโธไปเรื่อยๆจะรัวหรือไม่รวก็ได้พุโทาาาพธโธช้าๆก็ได้พุทโธรัวๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องรัวหรือบางทีจะเอาการอยู่ลมอย่างเดียวเราไม่มีพุโทโธก็ได้มีสามวิธีน่กัน หรือจะเอาพูดเข้าโทออกก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่จลิตหนึงแ ล, แล้วแต่สภาพของการภาวนาบางทีจิตเรานี่มันมันฟุ้งซ่านมากบางทีพูดเข้าโทออกมันจะไม่ทันการบางทีต้องเอาพูดโทรอย่างเดียวถ้าเราจะได้พูดโทรไดวขึ้นเพื่อจะได้รับวามฟุ้งซ่านได้มากขึ้นได้เด็วขึ้นถ้าเราบมาตัดพูดเข้าโทรออกนี้มันมีช่องว่างเยอะ ใความคิดมันคิดฟุ้งซ่านต่อไปได้แดาว่า จ, จะเช่งลงไว้ชัว่วคราวกนะ่อนนะก็แบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวหรือเวลานั่งนล้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาปกติเวลาก่อนก่อนที่เกอาการเจ็บปวดน่าจะเพงะงเเออเ่งกันจจดนูลมเฉยๆหรือนะพุทเข้าโธออกไปแต่ก็เวลาเป็นอาการเจ็บปวดมันก็เหมือนมีจับจิตใช้ลมฟุ้งซ่านตอนนั้นพุทเข้าโธออกขนาจะเอาไม่อยู่ นั่นแหละต้องเปลี่ยนทิ้งลงไปแ ล, ล้วเราแต่พูดโท้อย่างเดียวคุณก้องครับการนักวิชการพระอาจารย์ที่เคารพครับกรับเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหากผมเสก ฟ, ฟังหรือร้องเพลงของศิลปินที่เขาป่วยเป็นโรคทางจิตใจบ่อยๆเช่นโรคซึมเศร้าจะทําให้เป็นเหตุให้หติดเป็นนิสัยปัจจัยที่ทําให้ผมมีโอกาสจะเป็นแบบเขาเพิ่มมากขึ้นต่อๆไปไหมครับก็อยู่ที่ว่า สิงทีเ่เขาเล่านั่นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการสอนวิธีให้เราซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าเขาสอนให้เราซึมเศร้าตามที่เขาเล่ามันถ้าเล่าออกมาใช้มันเราจะซึมเศร้าได้แต่คิด่ไม่น่าจะเป็นนะเพราะเวลาเขาเล่าเขาคงไม่ซึมเศร้านะงั้นนั้นความซึมเศร้านี่มันเกิดจากกิเลสของเราเกิดจากความอยากความต้องการต่างๆของเราแล้วพอเราไม่ได้สมความปรารถนาเราก็เสียใจเศร้าใจขึ้นมา ถ้าปิดหวังบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเกิดอา ก, การสื่อมเศราขึนาได้มากกว่าจากการที่เราไปฟังอะไรต่างๆมาคุณนันพัฒครับเขากาดเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตามที่พระอาจารย์เทศนากุติเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ว่ารู้มีสองอันไม่แน่ใจว่าลูกเข้าใจถูกไหมคะว่าคือใจหนึ่งและรู้จากวิญญาณ น, นามขันหนึ่ง โดยจะแยกใจออกจากร่างกายด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาให้ใจเข้าในตัดขาดจากร่างกายครับใช่ให้หยุดให้หยุดวิญ ญ, ญาณนามขันเนี่ยให้หยุดการรับรู้รูปเสียงกลียวร้อนถดเถ้าให้เป็จับเตอรลูกอยู่ตัวนี้คือใจยอยู่ตัวเดียวคือรูร้ทางวิญ ญ, ญานี้เรียกว่ารูแ้แบบเฉพาะกลีรู้แต่เฉพาะรูปเสียงกลียวร้อนถดเถ้าที่มาสัมผัสเกี่ยวตาไม่จะหลุดรื่นกาย ถ้าเราเป็นวิญญาณตอนนี้ออกจากตาของจมูกร่างยมันก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายอ่ตัวรู้ก็ยังอยู่ต่อรู้ว่าตอนนี้ไม่มีการรับรู้รูปอเสียงกีดรับน้ำจะมีความรู้สองลักษณะในใจของเราคุณบุตรสารครับผมมีเรื่องการปฏิบัติภาวนากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเพื่อนนักภาวนารุ่นน้องปฏิบัติโดยวิธีสวดมนต์และภาวนา แต่ขณะที่สวดมนต์เกิดได้ยินเสียงครูบาอาจารย์มาร่วมสวดมนต์ด้วยและเขาเชื่อว่าเสียงครูบาอาจารย์ที่มาร่วมสวดมนต์ด้วยนั้นเป็นความจริงและมีแนวโนมนที่มีลักษณะ ป, ประทับทรงจะมีอุบายอะไรช่วยแก้ไขให้เขาได้ไหมครับก็บอกเข้าไปบอกเขาไปไม่มีหรอกให้ <c oughs> ประทานแต่เขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเข้าไปก็ต้องดูก่อแล้วเขาอยากจะฟังเราบอกเขาหรือเปล่า ท่าก็ไม่ไม่ความที่จะฟังเราก็อยากไปพูดอย่างเดียวทะเลาะกันไปกวดกันต่อคุณสุทธาธิตย์ครับสวัสดีค่ะขอากาบอนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ทําอย่างไรให้ฝึกตายแบบไปดีตอนมีชีวิตยอยู่เคยดียนแบบมีการฝึกตายก่อนตายค่ะฝึกตายก็ฝึกเข้าสมาธิเวลาเราเข้าสมาธิก็หมาเราตายชัวย่วคราวพอเวลาตายจริงแล้วก็เข้าสมาธิไปแล้วก็ ตายอย่างสงบไปไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดความตายของร่างกายเพราเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ช่บครับคุณชวาฉัตรครับการธรรมการพระอาจารย์การใช้เมตตาเป็นอุบายธรรมเพื่อระงับความโกรธมีวิธีพิจารณาเจริญเมตตาธทำอย่างไรครับก็เวลาใครก็ทําให้เราโกรธเราก็ให้อาภัยไม่จองเว่ นี่ก็คือหนึ่งในคุณสมบรตจของการมีความเมตตาทั้มีความเมตตาแล้วไม่จองเวรใครยอมให้อภัยกับผู้ที่เขาทําร้ายเราถ้า ใ, ใครเขาทำร้ายเราทําให้เราโกรธเราก็ยกททษใหออกไปทั้งนี้เหน่อย ม, มาจบแล้วไม่เป็นไรครับพี่ในเวลาที่ชนท้ายรถผมนีม่นะไงผมมีประกันไม่เป็นไรจัดการหนะาพี่ไปเถอะอย่ามีเรื่องวีราไปเลยอย่ามาหน้ามาถกมาเถียงมากรดมาเกลีกัน อันนี้ความกูดก็จะไม่มีสำหรับผู้ที่ให้อภัยนะยกโทษให้แก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าจองเวรจองกรรมมันก็เครียดขึ้นมาแค้นขึ้นมามันทีถึงกันอนไม่ได้นอนไม่กินไม่ได้นอนนขท้าวหน้ากูจะไปชนมึนมมาก น, น, นชนกู คุณไอออนดาก้อนครับผมคิดด้วยความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วก็จะวนอยู่กับความเชื่อนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นการทําความเข้าใจเรื่องนี้ก็คงเหมือนการศึกษาเล่นจักรวาลไหมครับคือความเชื่อมันก็เป็นเรื่องของความคิดของเราแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเราก็เชื่ออะไรมาแล้วก็มันก็จะเชื่ออย่างนั้นไปจนกว่าเราจะเปลี่ยนความเชื่อได้ถ้าความเชื่อนั้นมันไม่เป็นความจริงแล้วก็เอาความจรมิงมาเปลี่ยนเห้เราเชื่อว่าเราต่อร่างกายใจกับร่างกายเป็นต้นีบบ เรื่องเราเชื่อว่าตายแล้วสูนย์อย่างนี้เราไปเกิดดีเพราะกีจชาติเราก็จะคิดอย่างนี้คิดว่าตายแล้วสูนว่าหันจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ถ้าเรามาได้พบกับพระพุทธศาสนานี่สอนความจิดว่าเราไม่ได้สูนไปกับความตายของร่างกายเราคืนใจผู้วิวพวกคิดนี่แหละจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเราเปี่ยความเชื่อได้ความเชื่อนั้นความเชื่อเก่ามันก็จะหายไป แยาจะให้มันไม่หายก็ต้องปฏิบัติจกกนกระทั่งวีดวงตายเห็นธรรมบางอย่างก็เข้าสมาธิได้ให้เห็นหน้าใจและร่างกายในคนละคนกันคุณสมพรครับการที่โยมสวดมนต์แล้วใจมีสมาธิใจมีสติมากขึ้นแสดงว่าโยมปฏิบัติสวดมนต์ได้ถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่ารการสวดมนต์นี้ก็เพื่อให้ใจมีสติให้นั่งสมาธิให้สงบได้ง่ายขึ้นแล้วขึ้นนานขึ้น พญายาตาจางแป๊บนะครับมีพอดีวันนี้แจกหนังสือธรรมะครับมีคนมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะครับอาจาริสมพรเหมือนเดิมครับการปฏิบัติธรรมที่แท้คือการทําให้จิตใจมีความสงบไม่ถูกกิเลสครอบงาําการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถือว่าถูกต้องมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่ถูกต้องทําใจสงบแล้วก็กำจัดกิเลสที่มันจะมาคอยครอบงางจิตใจให้มันหมดไปด้วยปัญญา มันนี้มีคนสาธุเยอะครับพี่สมพรครับการที่โยมมีนิสัยแบบเอาแต่ใจตัวเองยึดใจตัวเองลืมดูกิเลสใจตัวเองแสดงว่าโยมยังไม่เหลาะส่องดูกิเลสตัวเองใช่ไหมครับบางทีโยมยึดความคิดเห็นของตัวเองเส ม, มือนเป็นจั ก, กรวาลพอมัอ่นใจในความคิดความถูกต้องของตนเองจนอาจลืมฟังลืมเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นคนอื่นไปบ้างนิสัยอย่างนี้ติดมาจากอดีตประชาติหรือเปล่าครับและโยมสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นขึ้นได้อย่างไรครับ ติดมามันเป็นนิสัยที่ติดมากับชาติก่อนวิธีแกล้ก็คือหัดหัดหัดเปลี่ยนใจของเปลี่ยนการกระทําของเราให้เราฝากคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแต่จะทําทได้ก็ต้องมีสติเว่าถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นอัตโนมัติทันทีใครคิดยังไงใครทํำยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกสติมีกําลังมากเพียงพอมันจะไปทําอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแล้วก็หยุดมันได้เปลี่ยนมันได้ สตินี่เป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะมาเปลี่ยนทิศทางของจิตใจของเราให้เป็นทางใดทางหนึ่งต้องอาศัยการมีสติเพื่อจะดึงจิตใจให้ออกจากทางเก่าให้ได้แล้วก็มีปัญญาคือความสัมนื้ผิดําเนียกว่าการไปทางนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกเป็นการสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับตนเองกับผู้ คุณยุพินครับคนที่ตายไปแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะเคยทำบุญอะไรมาคะถ้าคนที่ตายครบแล้วไม่ไปเป็นเทพไปอาบายก็เพราะว่าบุญกับบาปที่ก็ททำนี่มันเท่ากันบุญก็หนึ่งไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็เดึ่งไปอาบายไม่ได้เขาก็กลับมาเป็นมนุษย์ทันทีถ้ามีโอกาสถ้ามีร่างกายให้เขาได้ไปเขไปเชื่อมต่อด้วย มีคุณ y ายสิบเอ็ดคอมเมนต์บอกว่าตอนเข้าพรรษาผมมีเงินหมื่นแต่ซื้อของทาบุญไปสองพันกว่าครับหลวงพ่อก็แสดงว่าเราทำไปยี่สิบเปอร์เซ็นะถ้าเรามีเงินหม่ก็ดีถ้าคนมีเงินสายก็ต้องทำสองหมืนถึงจะทำจะได้เท่ากคุณคุณตุ๊กแพทครับ คุณตุกี้แพดครับการมหกรรพระอาจารย์เจ้าข่ารูปมีคําถามถ้าเราถือศีลห้าอย่างไม่บกพร่องเรายังมีโอกาสไปอบายภูใหมคะก็อยู่ว่าบาป ท, ที่เราไม่จํานวนบาป ท, ท, ท, ที่เราไม่ทํากับบุญ ท, ที่เราอันไหนยังมากไว้กับการเพราะว่าบาง ท, ทีบาปเก่าที่เราทำไว้มันยังมีมีอยู่เยอะที่ยังไม่ได้แสดงผลก็ได้ดัง <c oughs> ั้นเพื่อความมั่นใจทั้งให้ถือศีลห้าโดยแล้วให้ทำบุญเยอะ อันนี้จะมาจะแน่นอนกว่าโอกาสที่จะไปอาบายนี้ถ้าจะไม่มีเลย <Okay. S 1> แต่มันเป็นเรื่องไม่ถาวรนะเพราะว่าพบหน้าเราดยอาจจะได้เกิดอยู่ในสภาพที่ทด้านแคบที่อาจจะบังคับให้เราไปทําบาปก็ได้หรืออยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินทาวที่จะทำบุทําปก็ได้เพราะพูดกันได้งั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าเรามีโอกาสทําบุญได้เท่าไหร่ทำไปรักษาสินได้มากน้อยเท่าไหร่รักษาไป แต่ถ้าจะไม่ให้ไประบายเลยอย่างอย่างทาวอนนี้ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะภาษาดุพระโสดาบันจะไม่ทําำทำบาปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามการที่บอกทีถ่ถือสิหนห้าไม่บุกความนี้อาจจะไม่บุกความตอนนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรมาทําให้ทําให้บกความก็ได้ คุณสุทธาทิพย์ครับสวัสดีอากาศนรัมศการพระอาจารย์ค่ะยมทําบุญโดยการให้ทานคือโอนเงินทุกวันในจำนวนเหมาะสมรักษาคนไข้พระฟรีบ้างมองในแง่ให้จิตเป็นอาจินกรรมได้ไหมคะเพื่อเป็นอสัญญกรรมก่อนตายค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ทราบคบว่าอาจินกรรมก็แปลว่าอะไรครับอ๋อเหมือนกับเป็นเป็นิสัยนเป็นนิสัยบถ้เป็นปนิสัยก็ดีส่วนเป็นอสัญญกรรมนี่หมายความว่า มืนกับกรรมก่อนตายอะครับอาจารย์ที่บอกว่าจะเป็นที่เคยดิ้นมาบอกว่าเหมือนวบปักคอกแล้วออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอสัญกรรม อ, อันไหนมีกําลังมากปว่มันก็จะไปก่อนนะถ้าบุญมีกําลังมากปร่าบาปบุญมันก็จะออกมาก่อนแล้วในแง่ที่บอกว่าให้หักเงินไปทุกวันอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ครับก็เหมือนกันนะก็ได้ทำเองเดีนะ๋ยวจะหักทีเดียวหมดไปเลยทีเดียวก็ได <laughs> ก็มันก็เท่ากันครับเพียงแต่ว่าถ้าเราหัไปวันทำงานเราอาจจะตายก่อนครบที่เราต้องการจะบริจาคก็ได้เห็นถ้าเรารู้ว่าเงินก้อนนี้เราไม่ต้องการแล้วก็บริจาคไปหมดเลยก็ได้ทีเดียวแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ต้องผ่อนศพไปอันนี้ก็ต้องทําไปตามกําลังของเราคุณสมพรครับการที่หักโยมจะทอนจะซื้อเหรียญที่ขายทอง เพจทางเฟซเพื่อเอามาบูชาและเพื่อสะสมเป็นศีลมงคลให้ตนเองเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ของประเทศผ่านพิธีมาโยมจะได้บุญได้อนิสงส์อย่างไรบ้างครับไม่ได้เลยมันไม่ได้เป็นบุญกัชาะไรมันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่เราไปสมมุติกันขึ้นมาว่าเป็นมงคลวัตถุมงคลนั้นเองแล้วมีพระเกจิมานั่นกําบิดกํามอบอยู่ในปากมันไม่มีอะไรหรอกมัน มานก็ยก่ยาโยมมันจะมาขอบอกว่าจะเอาวัตถุของคนมาให้ช่วยแผ่เมตตาให้หน่อยเพราะแบบมันมทำมันเป็นการเล่นในเกมมันเปน็นไม่มีอะไรหรอกถ้าถ้าทํานี้ได้ก็ไม่ทำมาปฏิบัติกันให้เหนื่อยยากครับไม่ได้หรอก ม, มันมันมีแต่กฎแห่งกรรมเท่น้าที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของที่แท้ที่จริงนอกนั้นก็เป็นของปลอมเป็นความเชื่อแบบ มงมงายเพียแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปพูดลบลูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมันก็จะไม่ดีเพราะคนที่เขายังยึดยังติดอยู่เขาก็จะรู้สึกเสียใจก็ได้เราปล่อยเข้าไปเขาอยากจะเชื่อก็เชื่อไปแต่มันไม่มีหรอกมันไม่มันเป็นการเล่นวิเกดีๆนี่วัตถุมันจะมาเสกให้มันเป็นของวิเศษขึ้นมาถ้าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเสด็จได้พระจาก็เสด็วัตถุน้องคนแจกพวกเราแล้วไม่ต้องมานั่งแสดงธรรมทุกวันละสีออห้ารอไม่เหนื่อยผมว่า <c oughs> คุณเด็กมัลติเวอร์ชยูนิตี้ครับกุศลกรรมทําแล้วสบายใจสดชื่นใจมีความสุขทํามากๆแล้วกลัวติดสุขทําอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่เป็นไรนะข้เราต้องการความสุขไม่ใช่นะติดสุขก็ดีเลยอย่าไปติดทุกข์ข้าวตันอย่าไปติดยาเสพติดข้าวตัน เหตุยาเสพติดเนี่ยมันทําให้เราทุกข์เหตุบุญนี่มันทําให้เราสุขก็ติดไปสิเห็นจะเสียหายตรงไหนเลยติดพันิพาลมันจะเสียหายตรงไหนก็ติดพันิพานได้พันิพานอยู่กับพระนิพาลไปตลอดได้คํามสุขของพันธิพานไปตลอดมันไม่เสียหายหรอกความสุขมันเป็นคุณประโยชน์กับจิตใจคุณจอห์าครับากทำบุญและมุ่งหวังบุญจะได้บุญอย่างไรครับ บุญผลของบุญกิดจากการกระทำํำบุญโดยอัตโนมัติจะหวังหรือไม่หวังก็ต่างเพราะนั้นเช่นทํบาบุญไปช่วยเหลือคนนั้นคนที่ใจร้อก็มีความสุขใจอิจม่มใจขึ้นมาอันนั้นก็คือผลของบุญนะคือความอิ่มใจสุขใจนเรื่องของบุญผลที่เกิดจากการทําความดีคือการให้ทานเสียสละแบ่งปันโดยจะเข้าของเงินทองไม่ต้องหวังหรอกเพราะว่ามัน มันเป็นเหมือนเป็นเหตุและผลทาอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้เหมือนทีระครังมันก็จะได้เสียงดังใช่ไหมถ้าไม่ตีละคังมันก็ไม่ได้เสียงดังจะไปตีะระฆังรหวังให้มันเสียงไม่ดังมันก็ไม่ได้ครตีระคังจะหวังให้มันดังจะไม่หวังไม่หวังมันก็ดังอยู่ดีนะครับ <laughs> ให้เรารู้เหตุรู้ผลที่เกิดจากการกระทําเหตุของเราทําเหตุอย่างนี้เราจะได้อะไรเท่านั้นเอง คุณวีนาครับการเป็นถามพระอาจารย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงแต่จิตใจจึงเสื่อมซามไปฆ่าคนฆ่าสัตว์อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์คนนั้นทําบาปได้คะก็การไม่รู้คิดถูกดีชั่วเลยไม่รู้ว่าการทาบาปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเป็นเพลิดเป็นลายกับตนเองและกับผู้เป็นกรรมเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้ต้องไปลับใช้ผมของการกระทําบาปถ้ายังมีชีวิตอยู่บางทีก็ ถูกจับไปลงโทษเข้าคุก เ, เข้าตารางเนระื่องถูกประหาชีวิตบางคนไม่มีจิตสำนึกไม่รู้เรื่องถึงเรื่องเรื่องเหล่า น, นี้คือไม่มีฮีเลโอ ต, ตะะับปลานั้นเองฮีเลโคือไม่มีคำละอายบาปไม่รู้ว่าคนทำบาปนี่เป็นคนแวทรามตับช้าแล้วก็ไม่รู้ผลของบาว่าทำไปแล้วจะมีคนต่อจิตใจหรือจิตใจจะทุกข์ทรมา จิตใจจะเลื่อนจากมนุษย์มากลายเป็นเดรัจฉานไม่กลายเป็นนรกไปจึงต้องมีผู้สั่งสอนไงถ้าเรามีพ่อแม่ที่คอยสั่งสอนเราก็จะไม่กล้าทำบาปแต่บางทีบางครอบครัวก็ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรก็ปล่อยให้นูน อ, อ, อยากฆ่ า, าสัตว์ตัดชีวิตก็ปล่อยให้ฆ่าไปอยาก่าอะไรมาแรงฆ่ามดฆ่าอะไรก็ปล่อยให้ฆ่าไยิง น, นกตกปลาก็ปล่อยก็ทําไป เขอบคัวที่มีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปก็จะสอนลูกว่าอยากทำนะ ล, ลูกบากจะทําอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีการให้ความรู้เหล่านี้หรือไม่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถึงแม้จะรูกบางทีก็ลูกก่ลูกแก่โทรสะโลูกแกโลภะบางทีความอยากความโลภหรือความกดนั้ น, นานกว่าไม่มีสติยับย้ำได้ก็อาจจะทําให้ความโลภและความกดนี้ดึงให้เราไปทําบาปได้นะครับ นี่ก็คือเหตุที่ทำไมคนถึงทำบาปได้คุณนายเก๋ถามบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีไรายได้เปรียบเทียบยังไงครับจะต้องบวชไหมครับไม่มีไรายได้ก็เรามีอย่างอืงอ่น<อ>ที่เราสามารถเสียสละได้นะเช่นถ้าเราไม่บริจากเลือดนะครัเราก็ได้ทำทานอย่างหรือว่าเราบริจาคเวลาไปเป็นจิตอาสาก็ได้ไปรับใช้เป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคม อันนี้ก็เป็นการบาาริจาคเยียงหนึ่งเหมือนกันในการเสียสละแบ่งปันได้เหมือนกันแต่มเาเป็นทานได้คหมือนกัถามต่อนเนื่องนะครับอาจารย์คุณชูจิตบอกว่าเรียนถามพระอาจารย์การทําบุญมันคือการเสียสละทรัพย์หรือครับทรัพย์เสียสละทรัพย์ไปถ้าเราด้วยว่าทรัพย์อันนี้เราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ะคุณโชคคนอะไรที่ไปทําบุญแค่ร้อยล้าน เพราะคิดว่าเงิเจ้าวล้างนี่ก okay. ูคงมาใช้หม่หมดชาตินี้คตายไปก็เป็นของการทำบุญนี่เอาไปได้หมดเลยบุญนี้เกิดจากการเสสละก้าวล้างนี่เป็นของของคนทําคนเดียวลูกไม่มีส่วนเลยครัเพราะเป็นของของพ่อคนเดียวแต่ถ้าพ่อแม่เอาไม่ไปทําบุญตามไปเก้าวล้างนี่เป็นของลูกไปหมดนอกจากทรัพย์แล้วก็เงิน การเสียสละนีห้หลายอย่างเสียสละความรู้ก็ได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเช่นคุณหมอวีเนี่ยถ้ามีการมาปรึกษาที่ตอนนี้คุณหมอวีท o u t u b e อย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานมีเรื่องราวทางการแพทย์ต่างๆก็เอามาเผยแพร่พมาบอกมาเล่าให้ฟังโดยที่ไม่คิดเงินตอบจากผู้ที่มารับฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าวิทยาทานเรื่อยใยจากเวลาของเราไปทํความคุณประโยชน์ เช่นเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเราไม่มีความรู้แต่เรามีเวลาว่าสามารถเป็นนักใช้สังคมได้ด้วยการเป็นจิตอาส า, ศ า, ศาไปทางานช่วยคนที่กู้ภัยอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นการบริจาคเวลาของตนนั่นเับเพื่อประโยชน์ของผู้ออันนี้ก็เป็นการเสียสละอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราเสียสละได้ถ้าเรามีก็คือธรรมะการให้ธรรมะก็เป็นการเสียสละ ยาตอมานี่มีแต่ธรรมะไม่มีเงินที่จะมาให้ญาญุงก็เอาธรรมะนี้มาแจกให้กับญาญยงแทนก็เป็นการให้ธรรมะกม็มีการให้สามอย่างให้วัตถุทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้ทางด้านธรรมะเรเรียกว่าธรรมทาน อาจารย์กับการให้วิยทยาฐานแม้ทางโลกก็ก็ยังได้ประโยชน์ได้บุญอยู่ก็ได้ประโยชน์ก<า>็ให้ทรัพย์ก็เป็นเรื่องของทางโลกเท่านั้นนะใช่ไหมก็ให้วิยทยาฐานเพื่อเขาจะได้มีมีความรู้ไปทำมาเลี้ยงชีพก็ได้แต่ถ้าเขาถ้าเราให้เงินเขาขเขาเอาไปซื้อข้ามา ก, กินไม่นองเหมือนกันมีแต่ให้ความรู้มันดีกว่าเพราะว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาสามารถมีอาชีพเลี้ยงชีพของเขาได้เขาก็ไม่ต้องมาขอทรัพย์เราบ่อ ถ้าเราให้ทรัพเข้าไปเดี๋ยวหมดเข้ า, ามาขออร่อยก็ไดนะ้มีสุภาษิตของจริงเขาบอกว่าอย่าให้เงินให้ทองอย่าอย่าให้ปลาให้สอนให้เขารู้จักวิธีตกปลาครับพอเขารู้จักวิธีตกปลาแล้วเขาก็ไปตกปลาไดนะ้ไม่ต้องมาขอปลาเรากินทุกวันคุณทันยูครับถ้าทําบุญกับวัดหรือโรงพยาบาลแล้วขอใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีจะได้บุญหรือไม่ครับ เกาไม่ได้เท่าเท่ากับที่เราทําโดยเทไม่ได้ลดหย่อนเพราะเงินลดหย่อก็คือเราขอขอคืนไงคือให้ให้รัฐบาลนึ็นคนทําแทนเราสมมติว่าเราทำร้อยบาทแล้วเราไปลดจย่อนภาษีได้กลับคืนมาสิบบาทก็ถ้าก็วเราทําเพียงเก้าสิบาทเท่านั้นเราไม่ได้ทําเต็มร้อยบาทได้มงิค่เก้าสิบบาทถึงแม้ว่าเราจะเขียนในใบใบใบจ่ากว่าเราใบจ่ายว่ายบายแต่อีกสิบบาทนี้เป็นของรัฐบาล คณะธรรมนต้องการจะเสนนให้คนไทยมีเป็นคนที่เสียสละรู้จักแบ่งปันก็เลยสนับสนุนการทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้ช่วยช่วย อ, องค์กรกตา่างๆองค์กร อ, องค์กรที่ไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมแต่ไม่มีรายได้ด้วยต น, อตนเองทางรัฐบาลก็ด้สนับสนุนส่งเสริมให้คนทำบุญบรยจาคแล้วก็ขอ ร, อรู้นหยอนภาษี ในรัฐบาลก็จะขอร่วจมจ่ายสนต่ายไปครับคุณเปียอ น, นันท์ครับกล่าวถามพระอาจารย์ค่ะหลังจากเราสวดมนต์ลแล้วนั่งสมาธิต่อเสร็จเราอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วท่านจะได้รับบุญนี้ไหมคะกรับกลับมาคุณคไม่ได้หรอกราะบุญที่เราทํานี่จะไม่เกิดผลเราเพียงกำลังนะครับเป็นกำลังการการนั่งสมาธิการสวด ม, มนต์นี่มันเป็ น, ป น, ปนบุญมันเป็นการสร้างบุญ คือเป็นการเหมือนการปลูกต้นไม้เป็นการเพียงแต่นวดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกเท่เนั้นเองให้มันจเจริญเติบโตจนกว่ามันจะได้สมาธิรวมเป็นรวมเป็นชาญรวมเป็นได้ผลตอนนั้นนะมันถึงจะเป็นบุญไม่นมาแต่ช่วงที่นั่งไปแล้วจิตไม่สงบจิตนั่นเพียงแต่นั่งสวดไปอันนี้ยังไม่มีผลเพราะที่เจ้าถึงไม่สอนให้อุทิ้บุญด้วยวิธีนี้กันเพราะมันใช้เวลามากคนที่เขารอบุญรอไม่ไหวหรอก กว่าที่เราจะได้สมาธิลงในอีกสิบปีข้างหน้าเห็นวิธีที่จะทายุนทันทีต้องไปซื้อฟาสต์ฟู้ดอยจะได้อาหารรวดเร็วทันใจก็ไปสัท่ที่แฮมเบอร์เกอร์เลยพิซซ่าเลยสาว ป, ป๊กก็ได้ปั๊บเลยไม่ใช่ไปสั่งอาหารตามร้านอาหารที่ต้องไปต้องไปต้องไปจองหรือไปจ้างให้เขาทราบว่าจะต้องการอาหารอา่อาหารจีนหนึ่งโต๊ะอย่าเงี้ยเขาต้องเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรเตรียม เตรียมเครื่องปรุงเครื่องอาหารนึ่งแบบใช้เวลามากแล้วก็ถ้าอยากจะอุทิศบุญให้กับผู้อื่นก็ทําทานเถอะแต่บุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นผลเป็นเพียงการสร้างมากถึงยังไม่เป็นผลเปการเจริญมากยังไม่ใช่เป็นผลเราอุทิศมากไม่ได้เราต้องอุทิศผลครับคุณโอครับกราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อนะครับข้อที่หนึ่ง ทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาในชาตินี้แต่ถ้าชาตินี้ไม่ทันแล้วเผื่อจะได้มีปัญญาในชาติหน้าเจ้าค่ะก็ปัญญาก็เกิดได้สองสารทานด้วยกันทางแรกก็คือศึกษาจากผู้ที่มีปัญญาเช่นศึกษาจากพระผู้ประทานพระสมอ่านหนังสือธรรมะต่างๆความเทศความธรร ม, รรมอันนี้ก็เรียกได้ว่าสุตตะมายาปัญญาข้อที่สองก็เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วเราก็เอามาพิจารณาให้ อย่างต่อเนื่องอยู่ในเมือ ง, องไม่ให้หลงไม่เลยอันนี้ก็เป็นการรักษาปัญญาที่เราได้จากการได้เรียนรู้มาเรือเราอาจจะมาขยายผลพิจารณาให้มันกว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้นไปก็ได้เพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นลึกเข้าไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาขั้นที่สามน่นคือจิตตามมายาปัญญาแต่ปัญญาทั้งสองระดับนี้ยังเอาไปใช้ในการทำลายกิเลสไม่ได้เพราะขาดใจยังไม่มีพลังไม่มีกาลัง เหมือนมีมีดที่คมแต่คนที่ใช้มีดไม่มีแรงต้องสร้างแรงให้กับคนที่ที่ใช้มีดก่อนถ้าไม่ได้หลับนอนไม่ได้กินข้าวให้เขากินข้าวพักผ่อนหลับนอนก่อนแลก็มีกำลังตึงขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถเอามีดนั้นไปไปฟันต้นไม้ฟันอะไรต่างๆได้ยต่ใดจิตของผู้ที่ยังไม่มีพลังคือไม่มีอุเบกานิจะไม่สามารถนาเอาปัญญาที่ได้เรียนรู้ เรื่ได้พิจารณานี้ไปใช้กับการทําลายกิเลสได้ต้องไปฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาก่อนมีกาลังก่อนเอามีกําลังแล้ ว, ว่าเอาปัญญาที่ได้เรียนที่ได้ค่ายควรนี้ไปทําลายกิเลสได้ทันทีเลยเราก็เรียกว่าปัญญานี้ขั้นที่สามว่าภาวนาไมายะปัญญาคือปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังหรือจากการพิจารณาบวกกับการภาวนาสมถะภาวนา ทำจิตให้สงบให้เป็นอเวคาแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาระดับนี้ฆ่ากิเลสได้คำถามข้อที่สองครับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทําไปแล้วด้วยหรือไม่คะบบุญหรืบาปก็มีส่วนถ้าเป็นบุญมันก็จะสนับสนุนถ้าเป็นบาปมันง่ายจะคอยขัดคอยขวางว่าเป็นบาปคว า, ทามทันมได้ คุณสมพรครับการทําทานที่ใช้เงินทําทานทําตามกําลังตนเองไม่เน้นปริมาณเงินแต่เน้นการทําคุณภาพการทําบุญตามกําลังเงินตามใจของตนเองแบบเน้นทําน้อยๆแต่ทําอยู่อย่างเนืองๆทาเป็นประจําอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทําทานที่ถูกต้องแล้วหรือยังครับหากทําแบบทุ่มเงินไปทีเดียวเสมือนไม่ได้จริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองอาจทําทให้ไม่สบายใจจากการทําบุญด้วยเงินที่เน้นปริมาณเงินได้นอกลับขอคําแนะนําอาจารย์ครับ มันกมน็มันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะคิดกันบางคนก็จริงใจแล้วก็ทุ่มไปหมดก็มีแต่ถ้าเราไม่จริงใจแล้วเราทุ่มไปถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเราเราเราเอาชนะความตนหนีของเราได้เราทั้งที่เราที่เราไม่เต็มใจเพราะเราถูกความตนหนีเด้งเอาไว้แะเนื่องจากเราเห็นคุณค่าของการจาบุญว่าทามันไปหมดเลย ท, ทั้งที่รู้ว่อ่าอ่ามันใจไม่อยากจะทํา แต่รู้ว่าทําล้ามันดีอย่างนี้ก็เขาไม่เขาไม่รู้จะตอบยังไงดีอย่างนี้ก็กทําไปก็แล้วกันทำมากทาน้อยทําได้เท่าหทไหร่ก็ทําไปพวกอย่างนี้ดีกว่าอย่ามาแยกแยกให้มันปวดหัวเลยเชืชอ่ชอเคุณวีนาครับคนที่ทํำาบาปโดยการฆ่าคนฆ่าสัตว์แปล้วว่าจิตของเขาไปอบายในขณะมีชีวิตเลยใช่ไหมครับก็จิตเป็นอบายไปแล้วจิตทุกข์แล้วจิตร้อนเป็นจะอบายกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง เขาไม่ใช่ว่าทําบาปคนเดียวจะเป็นใจจะเป็นอบายทั้งร้อยเอร์เซ็นเพราะใจก็ยังมีส่วนอยู่ที่ดีอยู่ยังมีอยู่ในใจอยู่แต่ถ้าทำบาปทําทบ่อยๆจนกระทั่งบาปนี้มันกบความดีธรรตาที่มีใน ใ, นใจมันต้องจะเป็นอบายร้อยเปอร์็นข้อที่สองครับแล้วคนนั้นจะพ้นอบายโดยการทําทานถือศีลภาวนานได้ไหมคะได้ต้องปฏิบัติภาวนานถึงขั้นพระอรหันต์เช่นองค์คุลิมาน องคุลิมาค่าฆ่าคนเป็ก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกฆ่าผิดตัวให้ฆ่ากิเลสอย่าเป็ฆ่าคนฆ่าคนไม่ได้ทําให้เราบรรทํามันวิเศษถ้าอยากจะบรรลุธรรมวิเศษต้องฆ่ากิเลสที่มีในใจนะองคุลิมาก็เปลี่ยนมาภาวนาแทนพอฆ่าคนฆ่ากิเลสที่มีใ น, ในใจหมดไปก็เป็นเป็นพระแล้วขึ้นนะไม่ต้องกลับมาเวียนายตายกันพลนมบไ คนกรรมทั้งหมดเลยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่่าอาจจะต้องรับผลของบาปที่ยังทำอยู่ที่ทำอยู่ได้แต่พอตายแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปการเพ็จะตาตมิไม่ทันหลังจากนั้นคุณกิ่งการครับขอเมตตาพระอาจารย์ถ้าเรามีศรัทธานในพระพุทธศาสนาแต่ยังปฏิบัติไม่บรรลุถึงขั้นอริยบุคคลในชาตินี้ เมื่อตายไปเกิดในภพภูมิที่ไม่มีรู ป, ปรขันธ์เช่นสวรรค์หรืออบายเราจะสามารถระลึกชาติและปฏิบัติต่อได้ไหมคะส่วนใหญ่จะระลึกชาติกันไม่ได้คนที่ระลึกชาติดได้ที่มีส่วนน้อยคนที่มีความสามารถมีอภญญาระลึกชาติดได้แต่ไม่มสําคัญหรอกมันจะระลึกชาติดได้หรือไมแต่นิสัยที่เราทําอยู่มันจะติดไปกับใจเราถ้าเรามีนิสัยชอบทำบุญไม่ทํำบาปมันไม่จะติดใจติดไปกับใจเรา เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะใช้นิสัยนี้ต่อไปได้ชอบทําบุญก็จะทำบุญไม่ชอบทําบาปก็จะไม่ชอบไม่ชอบทำบา ป, ปบทำบุำเหมือนกับนิสัยที่เราเป็นมากับตัวเราเช่นเราชอบใช้มือซ้ายหรือใช้มือขวาเราเคยชอบใช้มือขวาแล้วก็จะใช้มือขวาต่อเราเคยชอบใช้มือซ้ายแล้วก็ใช้มือซ้ายต่อเราเคยชอบสีแดงแล้วกลับมาชอบสีแดงต่อ เราเกลียดสีดำหรือเเกียดสีเขียวแล้วก็จะเกียดสีเขียวสีดำต่ออันนี้เป็นขาที่อยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคุณบีบีครับถ้าเพียรปฏิบัติมากจะกลายเป็นพรหมแทนการบรรลุไหมคะอ๋อถ้าปฏิบัติแต่สมาธิก็จะเป็นพรหมถ้าจะบรรลุทำต้องเจริญตอนพอได้ได้พรหมแล้วก็ต้องเจริญขั้นปัญญาต่อไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล เมื่อได้ฌานแล้วก็ไปไปทานปัญญาต่ออย่าหยุดที่ตองฌานถ้าอยู่ที่ตองฌานก็ได้เป็นพรแต่จะไม่ได้ไปพันนิพันยังติดอยู่ในไตรภพอีกคุณสวัสดีครับพระอาจารย์สอบถามครับยาณทัศนะอยู่ในสมาธิระดับไหนครับยาณทัศนะก็คือการรู้เห็นสภาพจิตใจของเรานะีมั น, น ส่วนใหญ่นี้ท่านจะพูดถึงญาณทัศนะในระดับของของนองิพพานกับนิบานะยาณทัศนะคือการเห็นว่าจิตของเรานี้ได้ถึงนิพพานแล้วแต่ก็สามารถเห็นได้ระดับต่างๆได้ไม้รู้แล้วว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเราได้เป็นชกิร์นะแต่อาจจะไม่รู้ชื่อนะไม่รู้ชื่อว่าโสดาบันแต่รู้ว่าเราละ ค, ค, ความกลัวได้นะเราละความกลัวตายได้นะเราละความกลัวเจ็บได้นะเราละควม ควอยากเสศษการาได้นะอันนี้มันจะรู้สิ่งอันนี้ก็เรียกวิญญาณทัศนะการรู้ได้ด้วยใจของตนเองมไม่ใช่รู้จักความคิดรู้จักความคิดเป็นอีกอย่างนะเราคิดว่าเราบรรดุแล้วนะเราคิดว่าเราไม่มีความโกรธแ้นะอันนี้ยังเป็นความคิดอยู่เพราะตอ น, นตอนนี้มันไม่มีความโกรธจริองอแต่ถ้ากระใครมาแย่เราขึ้นมาด่าเราขึ้นมานี้ยไม่รู้ว่าความเกิดมันจะโกรธโกรธมันจะเกิดขึ้นมาแล้วเป่าถ้าคิดถ้ามัน แต่ถ้ามันรู้จักใจจริงๆว่าตัวเองน่ารักความกดนะมันจะรู้จริง ๆ, ๆอย่างนั้นก็เรียกว่าญาณทัศนะคุณมีนาครับการนันทสการ์มีเรื่องกลับเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะมีเพื่อนเก่าชวนเข้ากลุ่มไลน์ที่ส่วนใหญ่คุยกันเรื่องช้อปปิง้งเรื่องเที่ยวดิจันปฏิเสธไม่ยอมเข้าเนื่องจากไม่สนใจคุยเรื่องพวกนี้บางครั้งเห็นหรือเจอธรรมะดีๆพยายามคุยกับเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสนใจคุยด้วยค่ะ เพื่อนที่คุยก็น้อยลงไปเรื่อยๆบางครั้งก็รู้สึกเหงาเริ่มไม่มั่นใจว่าเราสุดต่งไปหรือไม่เพราะเราก็ยังตัดโลกไม่ขาดแต่เป็นคนชอบฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะกราบขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับเพื่อนอย่างนั้นก็ยังมีดีกว่ามีธต่ชุนเราไปไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่งางๆพระอาจาจบอกว่าถ้าเราหาพบคนที่ดีกว่าเราแล้ดีเท่าเราไม่ได้ก็สู้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่น้อยไม่ขาดทุน อเรื่องของความเหงานี้เราก็แก้ด้วยวิธีต่างๆได้ครับไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิไปต่อไปนั้นก็ไม่เหงาเวลาเราอยู่คนเดียวเรากลับจะมีความสงอยู่คนเดียวเองอ่าถ้าเราปัถ้าเราไม่ชอบทางเรื่องช้อปปิ้งอ่ะดีแล้วล่ะเราก็ต้องมาให้ความสนใจกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเป็นเครื่องแก้เหาให้กับเราเพราะถ้าเราไม่มีอะไรมาทดแทนเราก็อย่าก็ทนไม่ไหวหรือว่าต้องกลับไปไปร่วมกับเขาเอง คุณชาวินครับกล่าวถามพระอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ผมชอบฟังธรรมนั่งสมาธิเป็นเพราะอะไรครับและทําอย่างไรจะได้บุญสูงสุดครับอคุณชอบน้องมาถามเราทําไมเป็นเพราะอะไรคุณชอบเพราะคุณชอบเพราะมันมีประโยชน์กับคนเนี่ยนะฟังธรรนั่งสมาธินั่งคุณมีความสุขคุณก็ชอบแล้วทำอย่างไรจะได้บุญสูงสุดก็ทําให้มากๆครับปฏิบัติให้มากนปฏิบัติเต็มที่เลยไปบวชเต็นท่าเลยก็จะได้บุญสูงสุดอย่างแน่นอน คุณเบลส์ครับความยึดติดในสังขารกับการบริจา่รรางกายและ อ, อวัยวะเมื่อเราเสียชีวิตจะได้เปลี่ยนภพภูมิทันทีหรือต้องรอจนมีการปร่งศพก่อนคะไม่ได้การไม่ได้ประโยชน์จากการบริจา่รรางกายหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วจะได้จะได้ประโยชน์ก็ตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจราคไปให้คนนั้นไปบริจาคตายข้างหนึ่งมาให้เขาเนในขณะที่เรายังไม่ตายอันนี้เร า, เราจะเราจะเปลี่ยนภพภูมิของเราให้สูงขึ้นทันที เราจะได้เป็ น, เ, ปนเทพที่สูงขึ้นไปเพราะเราได้ไดทำบุญมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าจะเราให้เราตายแล้วเขาเอาเอ า, อาอยะวาคนเราไปทําประโยชน์นี้เราไม่ได้รู้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณเอจังครับ ม, มักฝันแปลกเห็นสถานที่พระคนในสมัยก่อนอดีตเห็นผีล่วงหน้าเกิดจากอะไรครับ ก็การเกิดจากความคิดปรุงแต่งหัวใจของคนนั่นแหละใจของคนชอบปรุงแต่งแบบนี้มันก็ปรุงแต่งเรื่องราวแตกๆขึ้นมาเป็นคนที่เขียนนิยายบาคนก็ชอบเขียนนิยายที่ตลกเนี่ยบางคนก็เขียนนิยายว่าหวาดกลัวหวาดเสียวบาวคนเขียนนิยายเรื่องรักเรื่องอะไรมันก็อยู่ที่ความชอบของคนคนคิดคนแต่งนั่นแหละใจของเราก็เป็นคนคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆแั้งแต่ความพอใจความชอบของเราเราชอบ ปรุแต่งเรื่องแปลกๆมันก็มันก็ใเวลาฝันมันก็มักจะฝันแปลกๆนี่คุณเบาส์ครับกรณีที่เป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อเสียชีวิตแล้วจะระลึกสติได้ไหมคะต้องทําอย่างไรครับเรื่องสมองกับจิตมันคนเรื่องกันมันไม่เกี่ยวกันเรื่องสมองเสื่อมมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับอวัยวะเสื่อมเช่นตาบอดหูหนวกไปมันไม่มีส่วนที่มากระทบกับเรื่องของจิตใจ จิตใ จ, จมีสติระดับไหนก็จะมีต่อไปในระดับนั้นไม่ลดหายไปเพรความเสื่อมของสมองหรือความเสี่อมของร่างกายแต่อย่างไรคุณวิรชัยครับการัทําผิดศีลสิบ ต, ตอนเป็นสั ม, มเนนจะเป็นผลกั้นต่อมรรคนิพพานไหมครับและจะบาปมากหรือเปล่าครับไม่เราคกจะแสดงว่ามันจะเป็นมันจะยากสําหรับเรา เพราะถ้าเรายังรักษาสินสิบไม่ไดเราจะไปรักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดได้ย่งไรถ้าเหมือนกับการทําข้อสอบที่เรางอย่างทำไม่ได้ยังทําไม่ได้ครบเราก็ต้องมายาวฝึกรักษาสินสิบให้ได้ก่อนบางวันนี้เขาจะไม่ให้หบวชทันทีเขาจะให้เป็นภาคขาวถือสินแปดสินสิบไปก่อนแล้วจน ก, กว่าเขาเห็นว่าเรารักษาได้แนละ้วก็ถึงยอนุญาตให้เราบวดเพื่อที่เราจะได้รักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อได้ คุณอุมาครับหลวงพ่อเจ้าค้ะพบภูมิถัดไปส่งผลจากกรรมเดิมที่ทำไว้โดยขณะเสี้ยวจิตที่กำลังดับเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาก็ไปอย่างพบภูมินั้นใช่ไหมเจ้าคะเช่นสลาดหุ้ไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของบุญและบาปที่เราทำมาอันไหนมีกำลังมากกว่าทำเชื่อแปดสิเปอร์ซนทำาียี่สิบเปอร์ซนมันก็ไปทางอบาลแน่นะอเพราะความชื่อแปดสิบปอร์ซ็นตมันมีน้าหนักมากกว่า มีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงจิตไปอบายแต่ถ้าในทานกลับกันทําดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทชั่วยี่สิบเปอร์เซ็นมันก็ไปทางสวรรค์ทันทีมันไม่ได้อยู่ที่เสี้ยววินาทีสุดท้ายที่จะมาเปลี่ยนได้ถ้าทําได้ก็ดีเนะทำบารมีให้เต็มที่เลยพอวินาทีสุดท้ายคิดถึงแต่ความดีมัน <c oughs> ไม่ได้เพราะวินาทีสุดท้ายจะเาเวลาไปทำความดีได้อย่างไรความคิดอย่างเดียวไม่พอ มันยังไม่ถือว่ากรรมไม่สําเร็จด้วยความคิดความสําเร็จด้วยการการคิดและการกระทําทางกายและทางวาจาคุณสุปตาครับหนูถือศีลห้ามาตลอดค่ะแต่ในทุกวันหนูไม่เคยสมาทานศีลหรือคิดว่าวันนี้จะถือศีลห้านะคะแต่ศีลห้านี้อยู่ในใจตลอดหนูระวังตัวตลอดที่จะผิดศีลแต่ไม่ได้มาสมาทานศีลได้ไหมคะได้ไม่ต้องหรอกคนที่คนที่รักษาศีล เป็นประจำอยแล้วก็ไม่ต้องสมาทานนอกจากคนที่ไม่ได้ถือศีลแล้วอยากจะจะถือศีลก็สมาทานแต่การสมาทานก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสมาทานกับพระสมาทานกับตัวเองก็ได้ก็บอกว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลห้ก็ถือว่าเราได้สมาทานศีลครับคุณกันประพรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโดนโกงเงินจนเกิดความเครียดและเป็นโรคหลายโรคครับหลวงพ่อโกงเงิน แต่ถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานเราก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีทนะคิดว่างินที่เราถูกโกงไปแล้วถูกขโมยไปเป น, นี้เที่ยวไปเงินทําบุญอะ้นะแล้วเราก็จะโลอกจะสบายเออได้ทําบุญไอ้คนรับเงินไปไหมก็ได้าลาไปเป็นทําประโยชน์ได้มันอยากจะไปทํำอะไรก็เริ่องของมัเราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่เป็นเล้ากอะไรงเราจะมีความสุขเพราะเราคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานช่วยเหลือสองคราะขโมยนั้นไป ทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่อยากจะช่วยแต่เมื่อมันเอกไปแล้วก็ก็คิดแบบนี้ดีกว่ามันจะได้สบายใจและคิดว่ามีการใช้หนี้เก่าก็ได้ชาติก่อนเราอาจจะเคยไปขโมยเงินใครเข้าม า, าก็ได้ชาตินี้ก็เลยมาทวงคืนไปก็คือเป็นการใช้หนี้ไปกันแล้วไได้ทั้งสองอย่างใช้หนี้ก็ได้เป็นการทำํำบุญก็ได้แล้วมันจะทําให้ใจเราสบาย คุณวิรัตครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมและอุทิศบุญอ่อนี่คล้ายๆเดิมจากการปฏิบัติให้บิดามารดาเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีได้รับบุญหรือไม่ครับอันนี้ยั ง, ยงไม่เสรคุณอุสรีครับ หนูขอถามถ้าคนตายแบบผีไร้ญาติไม่มีคนจัดงานศพให้ลอขุดขึ้นมาเผารวมดวงวิญญาณของพวกเขาจะติดอยู่ในป่าช้าผีไระญาติหรือไปตามบุญตามกรรมหลังจิตออกจากร่างทันทีคะก็ไปตามบุญตามกรรมทันทีนะหลังจากที่ร่างกายตายจิตก็ไปตามตามบุญตามกรรมคัทันที ไม่ต้องไปเชิญดวงวิญญาณซึ่งเราชอบทํามันแล้วกันคนตายอุบัติเหตุต้องไปสถานที่อุบัติเหตุจุดทูบเทียนสามดอกแล้วเชิญดวงวิญญาณคิดว่าทุกเทียนสามดอกนี่ชนดวงวิญญาณได้ใช่ไหมมันไม่ได้หรอกดวงวิญญาณก็ไปตามอำหน้าของมุญของบาปที่มันมีอยู่ในใจนั้น่ไม่ต้องรอไปไม่ต้องไปเสียเวลานี่บุญพ่าปฏิทินนี่บุญท่าไป ไปร่วมไปเชิญไปไปเชิญด้วยมันเป็นความเชื่อเฉยๆนะนี่ไม่ใช่เป็นความจริงอะไรอย่างใดความจริงก็คือพอร่างกายตายกล้ยดวงดวิญญาณก็ยากกว่าร่างกายไป ท, ทัทีแล้วก็ไปตามตามสภาพสมูลณ์เรือบที่ทำไว้คุณเสยครับเอากระดูไปลอยอังคารอย่างนี้ทำถูกหรือผิด ไม่ผิดไม่ถูกจะทําไงก็ได้กับกระดูกจะเก็บไว้ที่บ้านใส่กระอบไว้ก็ได้ไว้กราบไหว้บูชาก็ได้เอาไปทําปุ๋ยก็ได้เอาไปใส่ที่โคนต้นไม้ก็ได้ศพกระดูกที่เจ้าของแม่ของลุงตาหมาบัวหลังจากที่เผาเสร็จท่านก็ให้เอาไปโดยไว้ที่โคนต้นทพลเลยครัดบูชาพระพุทธเจา้าเป็นปุ๋ยบูชาพระพุทธเจา้าบูชาต้นโพลนี่มันเป็นเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นดินเป็นธาตุดิน คุณจะไปทำอะไรกับมันก็ได้หน้าตคุณจะทำคุณสุพันธ์หงครับการเปลียนถามถ้าขณะที่นั่งสมาธิแล้วเรานึกถึงบุญที่เคยทำแล้วมีปิติบางทีถึงกับยิ้มน้อยๆไปด้วยอย่างนี้ถือว่าผิดวิธีนั่งสมาธิหรือไม่เจ้าคะเ อ, อ่อถ้าวิธีนั่งไม่ให้นั่งคิดถึงอดีตไม่้คิดถึงอาานาคตให้ทำใจให้นิง่งอดีตยังเป็นของเก่าลคิดแล้วอาจจะมีความเช่อวหนึ่ง แต่มันซึ้งความสุขที่เราจะได้จากสมาธิที่เราํลองทำไม่ได้งั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดไม่ว่าจะดีเรืนะ่องใให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วเ ร, เราจะได้ความสุขที่มากกว่าเวลาจิสมมตสงบขึ้นมาคุณมารินีครับกับเป็นถามต่อนะครับเรื่องการบริจา่างกายในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าสมองตาย แล้วญาติบริจา่างกายให้แบบนี้ใครจะได้บุญเจ้าคะไม่ได้ทั้งนั้นแบบว่าคนที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้รับรงแล้วคนที่เป็นเจ้าของคือร่างกายเจ้าของนั้นไม่ได้เป็นคนสัตว์ไม่ได้เป็นคนเสียไม่ได้เป็นคนบริจาคส่วนญาตินี้ไม่ได้บริจาคอะไรเลยเพียงแต่ตัดสินใจแทนเขาแ ท, แทนคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้คนนั้นก็ไม่ได้ ไ, ไม่ได้ทั้งคู่ ผูเจ้าของร่างกายก็ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าเจ้าของร่างกายรู้สึกตัวอยวู่เอาเอาไปเลยตอนนี้ฉันยังไม่ตายแต่ตอนนี้ฉันยัต้องตายแล้วฉันยินดีว่าจากเนี่ยเอาไปเลยพักไปเลยอยาใครยากได้ตายง้อไปใครอยากได้ทําขณะที่ยังมีชีวิตอยู่รับรูบ้อยู่คอันนี้ก็จะได้ คุณธิติมาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งกรรมาฐานเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าจิตเราได้รวมตั้งมัน่นไม่ใช่เข้าผวางังหรือไม่ใช่สัปงกครับมันต่างกันไงถ้าสับปะงกมันก็คลิมเคลิมแต่ถ้าเข้าสมาธิมันจะเหมือนกับขณะที่เราคุยกันอยู่ยนี้สติสัมปชัญญะจะเต็ม100ร้อยเปร์เซ็นต์จะรู้สึกตัว100์ร้อยเปอร์เซนจะรู้ว่าจิตที่วุ่นวายกับการเป็นจิตที่สงบนิ่งสบายขึ้นมา มันจะเห็นได้ชัดจริงไม่สงสัยถ้าเข้าสมาธิจริงๆแล้วมันจะไม่สงสัยเพราะมันเป็นอาการที่มาสะใจอย่างยิ่งมีความสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าแบบมัวๆไม่รู้เป็นอะไรหลับทรกปล่าไม่หลับนี่ส่วนใหญ่ก็หลับัช น, นไหมละคุณนอร์พาธครับกาบเรียนสอบถามครับถ้าฝึกสมาธิแล้วลมหายใจหาย แล้วเมื่อเกิดความเจ็บปวดพิจารณาแล้วความเจ็บปวดหายไปแบบนี้จนครบเวลานั่งสมาธิผมต้องทำยังไงต่อไปดีครับพ่นั่งต่อไปเสร็จถ้าอยากจะนั่งถ้าอยากจะได้ประโยชน์มากขึ้นอยากใช้จิตสงบต่อไปก็นั่งต่อไปนั่งให้นานที่สุดเท่าที่ยันั่งได้เพราะควาสมสงบของจิตนี่เป็นครามสุดอย่งยิ่งคุณสุพนีครับทำงานดูแลคนป่วยทางจิตรู้สึกผิด อยากลาออกเพราะว่าเรามีอารมณ์ใสคนป่วยตลอดน้มัศการถามว่าเราจะผิดมากไหมคะก็อยู่ความผิดว่าเราทำมากทำน้อยโทษที่เราทำกับผูดก็เขามีโทษความเสียหายมากน้อยเพียงไรถ้าเขาเสียหายมากก็โทษมากเสียหายน้อยก็โทษน้อยถ้าเราคิดว่าเราควบคุมอารมณ์ของเราไม่ได้ก็อาจจะไปเปลี่ยนงานดีกว่าก็ได้ได้ไม่ไปทำบา คุณพิงกี้ครับถ้าต้องการทำสังโยชน์สี่ให้เบาบางลงเราต้องพิจารณาไตรลกักษและอสุภะให้กิเลสตัวนั้นเบาบางลงหรือดับไหมดับใช่ไหมคะหรือต้องพิจารณาอะไรเพิ่มคะคือสังโยชน์มันมีสิบตัวด้วยกันซึ่งการมราคานี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะต้องใช้อสุภาดับมันแต่มันยังมีตัวอื่นที่เราต้องต้อ ง, องพิจารณาเพื่อละสังโยชน์ให้หมดทั้งสิบตัน งั้นก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนขั้นต้นที่เรายัางไปถึงขั้นสุภาพไม่ได้เพราะเราต้องผ่านขั้นความกลัวตายความกลัวเจ็บก่อนความยึดความหลงที่ไปยึดติดกันห้าว่าเป็นตัวเราของเราคนให้ไน้นะัดตอนนั้นให้ได้ก่อนแล้วเราถึงสามารถไปนัดสามีลดคือการละลาครับต่อไปได้ในการพิจารณาสุภาพมันเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปน ไม่ใช่แบบทำเหารวมปุ๊บปั๊บแล้วได้หมดเลยไม่ใช่อยนะั้คุณเจฮียงครับกาบเรียนถามค่ะตอนนี้โยมพิการแม่โยมก็ชะลาแล้วโยมคิดต่างๆนานาเพราะเราพิการกลัวอยู่แล้วกลัวจะเป็นภาระของท่านบอกตรงๆนะคะตอนนี้คิดลบตลอดค่ะไม่ต้องกลัวรหรอกปล่อให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของเราแล้วกัน ถ้าเรามีบุญเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาดูแลช่วยอยู่เราเองถ้าไม่มีก็อยู่ไปตามสภาพของมันอยู่ไม่ได้กมันก็ตายเหมือนกันเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของร่างกายปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันเราดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราดูแลมไม่ได้ก็ก็ปล่อยไปแม่ดูแลเราไม่ได้ก็ปล่อยไปไม่ต้องไปกังวลถ้าแม่เขาอยากจะดูแลเราก็เป็นเรื่องเป็นบุญของแม่ก็เป็นความเมตตาของแม่เขา ก็ปล่อยแม่เขาดูแลเราไปปล่อยวางปปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติทนที่เราเรียกว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาจัดสรรให้ธรรมชาจัดสรรไปถ้าเรามีทําที่ดีมีบุญเยอะเดี๋ยวบุญมันจะมาดูแลมาช่วยเราด้วยแต่ถ้าเราไม่มีบุญก็ช่วยไม่ได้กเราเป็นไปตามสภาพอยา่าความกังวลนี้ความคิดล้ำเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับเรา มันจะทําให้เราคิดสั้นต่อไปถ้าคิดมากคิดลบมากๆเราก็คิดสั้นดีไม่ดีค่าตัวเองกับค่าแม่ด้วยเพราะคิดว่าจะได้หมดภาระหมดความกังวลไปไม่หมดใ น, ดนการทําไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูก ท, ทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางก็หยุดความคิดลบต่างๆแล้วก็ยอมรับกับสภาพของบุญของกรรมของเราไปปล่อยให้เป็นปตามทางขอารชำระของธรรมะจัดสรรไป แต่คุณท่านประสบนิกกรครับการนับศการครับการทรงอารมณ์ในสมาธิกับการบันเทิงปราโมทในสมาธิเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นคําพูดนะคือก็คือการให้จิตอยู่ในสมาธินะั้นจะเรียกว่าเป็นการทรงก็ได้บันเทิงก็ได้ปราโมทก็ได้นันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นคำพูดนะครับจริงก็คือให้จิตอยู่ในความสงบในสมาธิ จะเรียว่าเป็นการทรงก็ได้เป็นการบันเทิงเป็นการปาโมดการันี้เป็นเป็นการใช้ภาษาเท่านั้นเองแต่ความจริงก็คือการให้เจ็บอยู่นะครับสงบในสมาธิคุณแพตครับการเบียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิโยมท่องพุโทโธก่อนแต่ท่องเทีไรจังหวะการท่องจะวกเข้าไปเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจเกือบทุกครั้งค่ะแบบนี้ยังถือว่าทําได้ไหมคะ ถ้าใจไม่ไปคิดอะไรแล้วใจอยู่กับการทํางานอยู่กับการพูดโทรต่ อ, ต, อต่อไปก็ได้นี่นะคุณสุภกรครับการที่เราเป็นผู้นําบุญไปทอดกรถิ่นและบอกบุญกัลยะาณมิตรทําบุญกับเราแต่เวลาไปเราเก็บเงินค่ารถค่าที่พักแบบนี้เราจะได้บุญส่วนนี้ไหมคะเาไม่ได้หรอกค่ารถค่าที่พักนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ได้ไปบราิจาคให้กับวัด ต้อมีเงินที่เราบริจาคให้กับวัดนี่ถือว่าเป็นเงินทําบุญส่วนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ไม่ได้เป็นเงินทาบุญบางทีทจ่ายค่าใช้จ่ายมากเลยมันทนําบุญ เ, เยลยเสียค่าใช้จ่ายไปแปดสิบเปอร์เซนเอาเงิเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นไปทําบุญก็ได้บุญแค่ยี่สิบเปอร์ซ็นต์นะเนี่ยเพราะไปหาค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราใจปั้มเราเราเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนเงินที่เขาบอยจากมาทั้งร้อยก็ไปทําบุญเราก็จะได้บุญส่วนตรงที่เรารับค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลาย น, นี้ก็ถือว่าเป็นบุนได้ถ้าเราเป็นคนจ่ายส่วนเงินที่เขาบอยจากมาเพื่อทําบุญเขาก็จะได้บุญร้อยเปร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไปหาเงนที่เข้ามาบริจาคมาสําหรับเป็นค่าใช้จา่ายเขาก็ได้ทําบุญแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปเสียค่าใช้จา่าย คุณทํารักษาครับนักรสการพระอาจารย์ครับคนธรรมดาไม่ได้ออกบวชสามารถบรรลุอรหันต์ได้ไหมครับได้ถ้าปฏิบัติสิ่งสมาธิปัญญาได้เต็มรอยก็บรรลุได้ในยุคสมัยพุทธกาลก็มีบางคนเป็นคารว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แม้แต่พพพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะมีพระพุทธเจ้าม า, มาสอนเจ็ดวันก่อนตายบอกสอนนักเชื่อนํนำมาไ ป, ปฏิบัติได้ก็บรรลุได้ คุณกล้องครับการยกโทษให้ผู้อื่นที่ทํากับเราแต่ถ้าเราเลี่ยงที่จะไม่อยากกลับไปพบคนพบหรือเจอเหตุการณ์นั้นอีกอย่างนี้เราจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับก็ใช้ได้ถ้าเราอนอภัยเขาแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปเจอเขาก็ได้ถ้าจิตใจเรายังทําใจไม่ได้คือเจอเขาแล้วอาจจะรู้สึกเสียใจหรืออาจจะโกรธเขาขึ้นมาอีกก็เลี่ยงเรื่องเหตุการณ์นั้นได้เพรเรายังไม่พร้อมที่จะไปเจอครับ แต่ตอนนี้เราให้อาภายัยเขาเราไม่เราจะไม่ไปฟ้องเรามันจะไม่ไปมีเรื่องเวลาครับคุณพิสิทธิ์ครับขออนุญาตสอบถามครับคนที่สลบไปวิญญาณจะออกจากร่างหรือไม่ครับไม่เราก็เหมือนคนนอนหลับคนนอนคนสลบก็เหมือนคนนอนหลับไม่มีสติีหรือคนที่เวลาหมอให้ยาสลบก็เหมือนกันเวลไปผ่าตัดจิตก็ยังอยู่เนื่งจากจิตไม่สามารถรับรู้ เรื่องของงางกายนะเพราะถูกยาสงบล็อกเอาไว้คุณดีครับถึงการจะต้องนอนหลับพึงควรจะภาวนานด้วยหรือไม่ครับแล้วแต่เราถ้าเรานอนหลับได้เราที่ไม่ต้องภาวนาก็าไม่ต้องภาวนานก็ได้แต่ถ้าเราทีเรนานอนไม่หลับจิตเราเครียดบางทีการภาวนานพุโทโธพุโทโธมันก็จะช่วยทำให้เรานอนหลับไดอันนี้ก็ไม่แน่ต้องทดลองดูเอา คุณก้องก้องจิครับนั่งสมาธิก็ไม่ได้นานสวดมนต์ก็ไม่อดทนค่ะพบว่าตัวเองไม่มีความเพียรอย่างยิ่งค่ะขอคําแนะนําในการฝึกตนให้มีความเพียรค่ะก็ทําอย่างนี้ไปก่อนทนํานำที่เราทําหน้าไปก่อนแล้วสักพักนึ่งก็เราเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเทียร้อยเพิ่มเวลาของการนั่งให้มากขึ้นคือบางทีเราจะไปโน้มมากาก็ไม่ได้เพราะเราตําหนังน้อยเราก็เหมือนเด็กที่หัด เดินยรายังออยคลานอยู่เราจะบบลุกขึ้นมาเดินวิ่งเลยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหัดคลานหัดลุกขึ้นมายืนยืนแล้วก็น้อมลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เดินงสองเก้าวก็น้อมอีกก็พียยายามทําไปเรื่อยๆแล้วเทียบน้อ ย, อยเดี๋ยวก็เดียเด๋ยวก็วิ่งได้เดินไดตต้ต้องใจเย็นๆอย่าไปคิดว่า ท, ำทํำนาทีจะได้แบบโคตรพลาดเลยทีเดียว ใช่ไหมตอนที่เราเป็นเด็กก่อเราก่อนที่เราจะรู้ขึ้นมาแนี่ยนี่มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บใช่ไหมต้องใช้เวลานานขนาดไหนคุณคุณมอมทรัพครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเป้าหมายแรกของผู้เริ่มปฏิบัติสมาธิคือต้องนั่งสมาธิให้ได้จิตรวมแยกกายแยกจิตได้ถูกต้องใช่หรือไม่ครับใช่เป้าหมายแรกคนยองสมาธิก็คือใจกําล่างกายจะแยกออกจากการช่วคราว มันจะตัดการรับรู้จากกันวิญญาณที่ไปเกาะตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะถูกสตินึงให้กลับเข้ามาอยู่ในใจแลว้วก็งใช้การเจริญสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องเวลาไปคิดมันจะส่งจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีต้องให้มันหยุดคิดเมือมันหยุดคิดมัดจิตมันก็จะไม่ส่งวิญญาณออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย จิตก็จะสงบนม่งเป็นสมาธิขึ้นมาจิตแก้วการก็แยกออกจากการชั่วข้าวคุณจงกล น, นีครับเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้แล้วปลาตายบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ไปทําให้เขาตายแต่น้ามันตายเพราะขาดการดูแลถึงเวลาให้ข้าวเขากิงก็ไม่ให้ข้าวเขากิงอากาศก็ไม่เปลี่ยนไม่นี้ไม่มีเพรามอากาศน้ำที่อยู่ในนั้นถ้าเขา เขาใช้ใช้น้ำเก่าไปนานๆออกซิเจนที่อยู่ในน้ำมันก็หมดได้ก็ตายได้ตู้ปลาเขามันจะมีเครื่องเติมออกซิเจนอยู่ดนะ้นี้เพื่อให้มีออกซิเจนพอที่จะให้ปลาอยู่ได้งั้นก็ถ้าเราปล่อยปลาแล้วเลยก็ถือว่าเราทําให้ปลาตายได้นะั่นเองเพราะปลาเขาไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเราแ้วเราไม่ดูแลเขาปล่อยปลาลงเลยอันนี้ถ้าเราเท่ากับเป็นการทํำลายเขาได้ทําลายเขนี่ย ถือว่าเป็นการทาําบาปนะเองการทางที่ดีอย่าไปเลี้ยงดีกวบานะถ้าคุณเป็นปลาคุณชิดยังไงบ้างถ้าคุณถูกจับขังอยู่ในตู้นะเหมือนเอาจับเข้ามาขังในครกนะอย่าไปคิดว่ามีความเมตตาเลี้ยงปลาเลย ม, มีความคิดที่เขาจะผิดนะเป็นการกักขังเขามากกว่าเหมือนเป็นนักโทษนักโทษเขาก็เลี้ยงนักโทษอยู่ใช่มแต่มีใครอยากจะไปเป็นนักโทษบ้างไม่มีใครอยากจะเป็นนักโทษเลยอย่าไปเลี้ยงสัตว์เลยเถิดโหดเถิด ท่านชา่า น, นี้ก็เราปล่อยให้มันเป็นอิสระให้มันมี่งไปมาไหนมาไหนทําอะไรของมันได้ถึงเวลามันหนนนวิวมันจะมาขอข้าวกินให้หมันกินไปแต่ปล่อยให้มันเป็นอิสระเถิดท่านเลี้ยงทํานเลี้งแบบนั้นอย่าไปเลี้ยงแบบคังมันในกรงเลอันนี้เป็นการลงโทษของเราที่เราไม่รู้เราไม่คิดว่ามีการลงโทษ ค, คุณรุ่งราตีครับ อาจารย์ไม่ค่อยได้ไปทําบุญที่วัดแต่ดูแลแม่ผู้สูงอายุที่บ้านอย่างดีคําถา ม, ถามจะได้ไปวัดไหมคะคือได้บุญเท่ากับไปวัดไหม่ น, นี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามไม่ต้องไปทําบุญที่วัดก็ได้ทําบุญกับแม่ก็ได้เพราะพ่อแม่ของเราเนี่ถือว่าเป็นพระอารหาันต์ถ้าเราได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าเราได้ไปทําบุญกับพระที่วัดแล้วทําบุญกับพระที่บ้านก่อนนั่นบอก คูบาจารย์มารุกท่านบอกอย่าเพิ่งมาวัดเลยทาบุญกับพระที่บ้านไ้ยังดูแลพระที่วัดให้ดีก่อนเถอะเมื่อพร้อมแล้วค่อยมาทาบุญที่วัดต่อในคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณนอมันคุกครับเพิ่ ม, มนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงและพยายามระลึกสติให้ต่อเนื่องถือสิงแปดทุกวันพระใหญ่ เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเช่นขณะทํางานเห็นมือคนสาวใจมันยินดีเห็นมือคนแก่ใจไม่ยินดีรู้สึกตื่นสะดุดใจอย่างนี้คืออะไรครับก็มีสติมากขึ้นไงมีสมีสติที่หันกลับมาดูใจปกติถ้าเราไม่ได้เจริญสตินี้ใจจะไปมองคนอื่นแทนไม่มามองที่ใจของเราแต่พอเราฝึกสตินี้เราด ง, งใจให้กลับเข้ามาข้างในให้เรามอง ที่ใจเเพิ่มมากขึ้นยิ่งต่อไปเราจะเห็นอาการต่างๆของใจขึ้นหมดลวันที่ถามไปได้ถึงสองทุ่มสี่สิบหกนาทีครับอาจารย์ครับก็มีคนเพื่อนๆที่ฟังอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับใน f a c e b o o เก้าร้อยสี่สิบแปดคนครับใน y o u ู u แปดร้อยแปดสิบเก้าคนในกราฟ h o า s e ยี่สิบห้าคนรวมเพื่อนๆที่ฟังทำด้วยกันหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองคนครับอาจารย์ครับอันนีก็มีมากพอสมควรนะ ทำมาวันนี้ก็มาพันเศษเศษวันนี้ก็ตกปลาได้หลายตัวกับสามพันตัวตกปลาก็ได้เกือบสมพันตัวนี่ครับก็ดีก็ดีใจที่มีคนสนใจเพราะธรรมะนี่มีคนมีแต่คนมีแต่ประโยชน์แก่จิตใจดังั้นขอให้ฝ่ายทำอยู่เรื่อยๆให้ยินดีในธรรมอยู่เรื่อยเพราะความยินดีในธรรมจะนําไปสู่ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทรรมลกั่นเออันนี้วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่กณา ขอให้ท่านจะนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เันเพียงท่านี้ถ้าไม่มีปัญหาและทาไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาจะลาไปก่อนจริญพรกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ